ระมาจดโลกามที่ปฏิสัมภิการันชริอันทิวารายาจะทางสันติธาสันตามปราชญ ข้าชาติการเดเสตธรรมอนุกัรมปีมังปัญา เราุเทระผู้ทรงอัดทรงรรทำทีต้องเปิดใจรับฟังครับแต่การฟังตอนนี้ต้องอดทนสองอย่างอดทนหนึ่งหนาวอดทนที่สอง ทนฟังพระมหาเทระที่ท่านลงไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นระดับแม่เล ห, หล็กดึงดูดหัวใจของพวกเราท่านพูดยังไงก็ได้เป็นที่ ด, ดึงดูดจิตดึงดูดใจของพวกเราแต่สำหรับผู้พูดอยู่เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายไม่รู้จักวันนี้หลวงปู่ไทยท่านได้มาพูดกับ ท่านมีความสุขใจเท่าที่เรานั่งฟังนะท่านมีความสุขใจทานคึกคักในหัวใจของท่านเป็นถิ่นเกิดเป็นถิ่นกำเนิดได้พูดถึงคนที่เกิดในรุ่นเดียวกันเรียนหนังสือโรงเรียนเดียวกันคนรุ่นเดียวกันเป็นญาติกันเป็นเพื่อนเป็นอะไรอะไรกัน ได้รับความคลึกคลักในหัวใจนะนีเ่เรารู้สึกแทนท่านเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องทนฝังนะหนึ่งทนหนาววิธีแก้หนาวไม่ยากเดี๋ยวจะบอกวิธีแันวิธีที่ต้องทนฟังการทนฝังนั้นมีอนยโสเหมือนอย่างอาจารย์เชิดชัยท่าน ได้กล่าวให้เราฟังอยู่แล้วสรุปรวมยอดมาที่คิดของเราปลืม้มปีติยินดีพ่องใสในการตั้งอกตั้งใจฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะได้ยินได้ฟังคนที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเหมือนอย่างตมาเนี่ยเดินไปพบพบใครที่ไหนตรงไหนก็ตามทุกคนคงจะมองว่าเหมือนเต่านี่แหละ งับปากอยู่อย่างนั้นแหละนะถ้าไม่เห็นขึ้นมาพูดอย่างนี้ก็คงไม่ได้ดพูดท่านก็มีปากเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> เอ่ออ่าต่อไปตั้งใจนะแต่ว่าการตั้งใจฝังที่ดีที่สุดนะลงตาลงตาบ้นตาท่านว่าต้องนั่งภาวนาไปด้วย การที่ตั้งใจฟังดีที่สุดต้องนั่งภาวนาฟังไปด้วยไม่เสียความเคารพดับภาชนะเดียวกันใจดวงเดียวภาชนะดวงเดียวเราจะภาวนาก็เอาคุณงามความดีเข้าสู่หัวใจเราจะตั้งใจฟังเอาเนื้อหาสาระก็เอาความดีเข้าสู่หัวใจภาชนะเดียวกันไม่เสียความเคารพดับนั่งฟังแล้วก็นั่ง คือมื่อจิตก็ อ, อยู่กับอารมณ์ภาวนาเป็นงานชั้นเอกชั้นเรียบจะหารองลงมาก็มาอยู่กับเนื้อหาเนื้อหาของอัดของทำที่ท่านกำลังพูดถึงสัญญาความหมายสัญญาความหมายนี่มันขึ้นตามคําพูดนี่แหละท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรสัญญาความหมายมันก็ขึ้นขึ้น ซา ร, รมะละเอียดลึกเข้าไปท่านใช้คาว่าอัอัดอัถักทำอัปรากฏหัวใจแต่มันเกี่ยวกับกาพรพูความละเอียดของจิตความสามารถของจิตอัดทำก็เกิดก า, า, ารทความละเอียดของจิต เราฟังโวิธีนั่งภาวนาที่ได้ประโยชน์ต่อไปนี้เข้าที่เข้าที่จากครึงง่งชั่วโมงจนหนึงชั่วโมงอย่จท า, า, า, า, าร้งจำพยายามอรมที่เราตั้งเอาไว้ไมาให้ขาดเราคอยมาประเมินผลระหว่างเรานั่งฟังแบบไม่ตั้งใจภาวนาฟังกับเรานั่งฟังตามอัตยาศัยของเรา เราสบายปลอดโปร่งมีข้อบังคับมีอะไรอะไรในหอยใจของเราทําให้เราเป็นอิสระโดยธรรมเป็นอิสระโดยธรรมอยู่กับข้อบังคับอย่าลืมว่าจิตใจของเราจะอยู่ได้เราจะต้องบังคับนะบางคนว่าบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ผิดหลักผิดหลักถ้าท่านไม่บังคับนั่นแหละผิดหลักเรื่องของมรรคมันเป็นเรื่องท่านให้บังคับนะ ถ้าเราไม่บังคับก่เลสมันบังคับเรามัดคอเราอยู่ตลอดเพ <c oughs> ราะฉะนั้นตั้งใจฟังด้วยบังคับให้อยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาด้วยให้อยู่กับอารมณ์ธรรมบทธรรมครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีหกสิบนาทกีก็ตามแต่ตั้งหัวตั้งใจไปางา้นอาวหายครูก่อน <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัยสมุททัตจาระโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัยสมุททัตจาระโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัยสมุททัตจารูวุจยาวุชนียานังเอตัมมังกะละมุตตะมัน <c oughs> วันนี้เราพวกเราทั้งหลายเป็นลกูกเป็นหลานเป็นเหลนของครูบาอาจารย์สามองค์สี่องค์ที่ปรากฏชื่ออยู่ในป้ายเนี่ยใครไม่รู้จักมาดูมาอ่านเอา <c oughs> ปรารบฉลองเจดี ทำบุญฉลองเจดีทำบุญสมโพธเจดีทำบุญฉลองหัวใจของเราและแราจะเรีผู้โพดเนี่ยเคยเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์โดยเพพาะอย่างยิ่งหลวงปู่เขียนบันพณท่านอำมท่านอำมาภาตเพราะเส้นโลหิตแตกในสมอง ดูแลเป็นเวลาถึงสิบก้าปีตั้งแต่ปีสองเจ็จนถึงปีสี่หท่านมรณภาพเมื่ออายุเก้าสิบลูกเขียนอายุเก้าสิบดูแลทำทุกอย่างกำกับโมดูแลโมูด้วยดูแลลูงปู่ด้วยกำกับดูแลอยู่ ไม่ว่าท่านจะล่วงไปแล้วก็ตามดูแลรักษาท่านจนจนท่านล่วงไปอยู่ในใสายหงสายตาของพวกเรายังไม่เกิดความรู้สึกว่าโล่งโปร่งในหัวใจเหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะจัดให้ท่านอยู่เป็นกิจกรกลักษณะคือสร้างที่อยู่ที่ตั้งที่ปริเสธฐานของท่านคือ เจดีหลังจากทำเจดีเสร็จแล้วทำเสร็จในระยะนั้นปีเสร็จๆราคาถูกๆเจดีเลกเก้เมตรคูณเกเมตรพื้นฐานแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยรอบค่ามากเพียงพองานขนาดนี้ก็เพียงพอสํสหรับไปอยู่ใช้สอย ทาจนเสร็จไปในระยะเวลาที่สั้นแต่ก็ได้กำลังใหญ่เพราะหลวงตาท่านเป็นหลักไห้ท่านเมตตามาวาศิลาเริ่ท่านเมตตามาฉลองยุคนั้นเป็นยุคที่ท่านยังรับพระป่าช่วยชาติมาเผาหลวงปู่เราก็ตั้งพระป่าช่วยชาติ มาวางศิลาฤกษ์เจดีย์เราก็ตั้งผ้าป่าช่วยชาติมาฉลองเจดีย์เจดีย์นี้ฉลองเมื่อปี50ปี50เราก็ตั้งผ้าป่าช่วยชาติเราได้กำลังใจมาตลอดด้วยบุญญาบา ร, รมีของนกตานั่นแหละทําให้เจดีย์องค์เล็กๆนั้นสําเร็จเสร็จสิ้นยังไม่ถึงสองปีก็สําเร็จเสร็จสิ้นก็ได้ฉลองเหมือนกัน ท่านเมตตาไปฉลองให้อีกได้กำลังใจหลังจากฉลองเสร็จแล้วบรรจอุอัจฉริาชท่านเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วโอ้ย้ยอนมาดูถีัวใจของเรารู้สึกมันโล่งมันโธงมันโปร่งเหมือนกับเอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้าที่เข้าทางเข้าอะไรเป็ดเสร็จเป็นสัตว์เป็นสวนเรียบร้อยแล้วเกิดพรื่มเกิดปีติเกิดยินดี ในหัวใจของเราอันนี้ไม่ว่าเราไม่ว่าท่านไม่ว่าใครถ้ามีความนึกคิดแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งนี้สิ่งที่เหลืออย่างอื่นก็คือการระลึกถึงบุญถึงคุณ <Yeah. S 2> ครูบาอาจารย์องไหนท่านมีท่านบุญมีมีบุญมีคุณทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราของท่านของใครกับใครเหมือนกับพ่อแม่ของใครของใคร ม, ม, ครครมีบุญมีคุณทั้งนั้น เพราฉนั้นเราเชิดชูระบูชาเอาไว้บุคคลเหล่านี้แหละจะเรียกว่าปูชนียะบุคคลปูชนียะบุคคลบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรบูชาควรระลึกลึกถึงกิริยาที่เกยเกี่ยวข้องที่เคยผูกพันเรื่องราวเรื่องคําบอกคําสอนที่ท่านเคยสอนเคยตักเคยเตือนเคยดุเคยว่าเคยเปล่า จากการที่เราเหมือนสุงทั้งรุ่นเรา่ากลายเหมือนจะมีหูมีตามีสติมีปัญญามีมันสมองมีอะไรขึ้นมามันจะเกิดความรู้สึกแาบนั้นนี่คือบุญคือคุณเรายกย่องเทิดทูลบูชาครูบาอาจารย์เราเอาไว้เถิดผู้ที่ไม่รู้จักรถยกย่องเชิดชูบูชาบุญคุณของครูบาอาจารย์เรา จะเ ร, เริ่มลืมตัวแล้วเริ่มลืมตัวแล้วเดี๋ยวนี้เราได้ยินได้ฟังคำแปลกๆใหม่ๆเราได้ยิน เดยหมดเลยนะพวเราเคได้ยินพวเราอาจจะเคยได้ยินแต่ก็ช่างเถอะบรรดาความนึกคิดลัทธิทั้งหลายทั้งปวก ท, ที่มีอยู่ในโลกเกตสิบกว่าหกสิกว่าทิศที่ตามหลักที่ท่านพูดเอาไว้ก็คือหลักก็คือความคิดของปราดของบิดทั้งหลายนั่นแหละที่มีอยู่ในโลกเต็มไปหมดไม่มีอดไม่มีอัน้น ไม่ว่ายุคนั่นก็ตามไม่ว่ายุคนี้สมัยนี้ก็ตามมีอยู่อย่างนั้นแหละแต่บรรดาทิฏฐิทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นยังไม่ถึงขีดถึงขั้นยังอยู่ในกรงยังอยู่ในถ่ายไม่เหมือนสัมมาทิฏฐิของสัพเพพุทธมาสัมพุธเจ้าของเราทิฏฐิของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าของเราตรงแนวไปสู่หลักความจริงอยากจะขอ ขยายความเรื่องหลักความจริงหลักความจริงของศัจธรรมเหล่านี้หลักความจริงของสัจธรรมตรงแน่วไปสู่หลักความจริงห <c oughs> ลักความจริงเกี่ยวกับเหตุหลักความจริงเกี่ยวกับผลสําคัญที่สุด ท่านทราบข้อเท็จจริงว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่ออย่างนี้สิ่งนี้เป็นไปเพื่ออย่างนี้สิ่งนี้เป็นไปเพื่ออย่างนี้สิ่งเหล่านั้นตรงแน่วไปตามที่พระองค์ทรงสอนไว้ไม่มีผิดไม่มีเพีย้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีความสำคัญระดับเหนือจิตใจของพวกเราก็คือความสุขกับความทุกข์มีใครบ้างในโลกนี้ชี้เหตุเพืความสุขอย่างแท้จริงทายมุนอย่างพระพุทธเจ้าชี้เหตุเพื่อ ตรงแนวได้เหมือนอยาา่ยางพระพุทธเจ้าไม่มีแม้แต่บรรดาทิฏฐิทั้งหลายที่ท่านพูดไว้ในพระไตรปิฎกอะไรก็ยังมีการชี้ผิดชี้ถูกแต่ต้องหมายถึงบุญบา ร, รมีที่ท่านทรงสร้างด้วยเรามาดูพระพุทธเจ้าเพราะเราท่านสร้างบา ร, รมีมาขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ไ ด, ขไ ด, ขได้ขอให้ได้สิ่งเหล่านี้ยอมให้อวัยวะเป็นฐานยอมให้ชีวิตเป็นทานเพื่ อ, อามาแลกกับ ยิ่งใหญ่ไหมแม้แต่อัตภาพร่างกายของรลงก็เอาไปทาเนี่ยสัตว์กับสัตว์เสือแม่ลูกอ่อนกำลังจะกินลูกมันโรงมีกระป๋ดชอในป่าโดดไให้เสือกินโดดไปให้แม่เสือกินอย่างน้อยได้ช่วยลูกไปได้หลายวาระเนเกิดประโยชน์อะไรให้สัตว์ในไรฉานกิน เป็นสัตว์เดริชานก็ตามแต่มันยิ่งใหญ่ด้วยจิตใจด้วยน้ำพระไทยที่ปรกได้เสียสละด้วยแรงอธิษฐานตั้งความมุ่งมากปรารถนาเพื่อได้เราจะเห็นว่าคุณสมบัติที่ว่ารู้สัจธรรมรู้ข้อเท็จจริงรู้ข้อเท็จไม่ใช่ศึกษานา้างด้วยเหตุบังเกินแล้วจะไปพบไปเจอ บุญญาบา ร, รมีคุณสมบัติไม่พอไม่มีโอกาสที่จะพบไม่มีโอกาสจะเจอคือไม่มีบุญบุญไม่พอบุญไม่ถึงเรามาดูไม่มีองค์ไหนจับเสือมือเปล่าสร้างบา ร, รมีมาจนฟีอสงมขยัยแสนหากับ8อสาสมขัยแสนหมากับ16อาสมขัยแสนหากั บ, ส, ส, กบสร้างบา ร, รมีม า, มามากน้อยเท่าไหร่บรรดารัต ท, ทิทิฐิทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นที่เรามี ต่างคนต่างศึกษาต่างคนต่างค้นคว้าไปด้นๆ้นไปคิดคิดคาดข้าวดักคิดคิดคาดข้าด่าวเดาฤิ์เดาถือเอาสําคัญมั่นหมายเอาพิษถูกไม่มีใครมาตัดสินไม่รู้เจ้าของก็ยังเครือบแคลงสงสัยอยู่ก็เหมือนอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังนั่นแหละผู้รูเป็นลักขณาป่านั่นสำคัญก็จบเจ้าของเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ยึดอยู่อย่างนั้นแหละความเป็นพระอรหันต์ของเขาคืออะไรยังไงเราก็ทราบไม่ได้ แต่พอเวลามาเจอพระอรหันต์จริงเนี่ยม้วนข่าอ่อนชู่กส็สะบัเธอสำคัญเด็ดสำคัญว่าตัวเองเป็นพระรอรหันต์คำว่าสำคัญสำคัญในชนีดหมายกว่าว่ายึดเอเาเอาสำคัญมั่นหมายเอามันไม่ได้รู้ข้อสัจจกที่เป็นข้อเท็จจริงอะไรเลยแท้ทีจจริงข้อ ป, ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระรอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้จักโอ้เราดูสิอ <c> ะ <oughs> ยกถู ก, ท, กทุ่มทุกเหยียบขนาดไหนเราเหมือนกับอะไรนะกับพลังของชาติจับอะไรเหยียบฟาดกระยึกระ จ, จายไปหมดน ะ, ะจนหัวใจของอุรุปรักษสตร์ยอมยั่ยอ ม, ยอมลงเต็มร้อยเพราะดูข้างในด้วยดูข้างนอกด้วยสอนข้างนอกด้วยดูไปข้างในด้วยเห็นใจลงเต็มร้อย สแสดงธรรมแบบกัจจปักษ์เธอสำคัญมากตัวเองเป็นพระรามแค่ที่จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระรามเธอก็ยังไม่รู้จักหูยังไม่รู้จักเลยเท่านั้นแหละหมดเลยหมดอย่างหมดความหรือปัญญามันทุกสิ่งทุกอย่างโย่จิตใจสะอาดพร้อมที่จะรับธรรมแน่โปรยปลายธรรมะเข้าสู่หัวใจ กิดความเริ่มใส่ศ ร, รัทธาตั้ง อ, อกตั้งใจพาบริษัทบริวาทบวชหมดทั้งบริษัทบริวารของของน้องคนกลางของน้องคนท้ทายพวกก่ันเป็นพันฉลาดมอี้เป็นฉมีบุคคลประเภทเดียวนี้แหละที่ชี้เหตุตรงแนวไปสู่ผลชี้ผลตรงแนวไปสู่เหตุโดยเพราะอย่างพวกเราเนี่ยเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนปุถุชนคนหนา มีความรู้มีความสว่างก็รู้ไม่รอบสว่างก็สว่างไม่รอบสว่างข้างหนึ่งมืดข้างหนึ่งรู้ก็รู้ไม่รอบเข้าใจก็เข้าใ จ, าาใจไม่ถีทัว่วไม่ละเอียดแต่พระองค์รู้ตรงแนวไปสู่หลักข้อเท็จจริงก็เหมือนอย่างพระองค์ทรงสอนว่าพวกเราเกิดขึ้นมาเวียนว่ายตายเกิดด้วยอํานาจของกรรมเกิดมาด้วยกรรมมาอยู่ก็มาอยู่ด้วยกรรม และไปก็จะต้องไปได้กลับกายกั บ, กบวิจิกรรมอนุกรรมไม่ใใหัวใจของเราใใหัวใจของเ ร, า, ใใเร า, าไม่ายเพราะไฟจะทันทาใจไม่ตายใจไม่ตายใจไม่ตา ย, ตายเพราะใจเป็นธาตุที่มีประจังอยู่กับโลกเป็นธาตุรู้ดินดน้ำลมไฟ ที่มาประกอบกันเป็นรูปเป็นร่างเป็นราเป็นท่านพอเวลาเขาแตกสลายออกจากกันพวกเราก็เรียกว่าตายแต่ใจไม่ได้แตกสลายใจไม่ได้แตกสลายแต่ใจเปลี่ยนแปลงใจเปลี่ยนแปลงจากฐานะอันหนึ่งเป็นอีกฐานะอันหนึ่งจากภพอันหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามอีกภพอันหนึ่งการเปลี่ยนแปลงไปของใจ คืออะไรคือพฤติกรรมจะ่าลืมว่าพฤติกรรมนี่มี น, นนะักิริยาทางกายกิริยาทางวาจาเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมมาจากมโนมกรรมคือใจนั่นแหละเราเอาบัตรเป็นมนุษย์เรามีกายและเรามีใจในปัจจุบการอาการ5มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารอิน ญ, ญาณเวทนาสัญญาสังขารอิน ญ, ญาทั้งสี่นี้ เป็นอาการของผู้รู้เป็นอาการของผู้รู้ไม่ใช่ตัวผู้รู้เป็นอาการของผู้รู้เหมือนอาการของไฟไฟที่เราเห็นเนี่ยสว่างสว่างเนี่ยนี่เป็นอาการของมันตัวไฟแท้ๆคือร้อนเราดูอย่างนี้เราเห็นแต่แสงสว่างเห็นแต่แสงสว่างนี่คืออาการของมันเหมือนอย่างเราตาเราไม่มีวิสัยที่จะเห็นลม เราเห็นลมเพราะเราสังเกตเห็นต้นไม้ใบไม้ถ้าอะไรเหล่านี้มันปลิวเป็นสัญลาาักษณ์ว่าลมลมมันมาสัมผัสที่ผิวกายเราโอ้ลมเรามองไม่เห็นแต่ถ้ามาสัมผัสกายเราเราทราบโอ้ลมงนี้เป็นต้นไฟเรามองไม่เห็นเราจะรู้จักเราจะสัมผัสได้แต่ เ, เมื่อเรามือไปแย่ เราเห็นรุ่นไฟเราลองมือไปแย่น้ำดูแล้วจุดเทียนเปลวเทียนกําลังลุกอยู่เนี่ยลองเอามือเราไปแย่ดูไอ้ที่ร้อนเมา่านั่นแหละนั่นแหละคือไฟไอ้ที่เราเห็นไม่ยังไม่ใช่เราเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณเรามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการของผู้รู้ที่จริงอาการของผู้รู้มีมากมายมหาศาลแล้วแต่จะกระดุกกระดิกพริกแปลงมาทิพยญาณใดๆก็ตาม กิรยากายิยกายกายกรรมกิริยาวาจาวิาจิกรรมมีมากมายมหาศาลแต่นอกนั้นไม่เกิดโทษพระพุทธเจ้าไม่ทรงเอามาบัญญัติการกระดิกพลิ้วแผลงของจิตของเร า, าเช่นเดียวกันมีมากมายมหาศาลแต่สิ่งที่ไม่เกิดโทษพระองค์ก็ไม่เอามาบัญญัติแต่ก็เป็นกิริยาของใจกิริยาอย่างอื่นมากมายมหาศาล เราดูท่านพูดถึงธรรมะสิบหมวดนะ่บหมวดมีตามหูจมูกลีดกายใจรูปเสียงกลิ่นรสฝนตะฟาธรมรมารมณ์คืออายตนะภัยในอายตนะภายนอกกระทบกันเกิดวิญญาณ6เกิดผัตตาหกเกิดเวทนาหมันประกอบครบกับอายตนะภัยในรูปเสียงกลิ่นตารมอารมอายตนะภายนอก เป็นเวทนา6เป็นสัญญา6เป็นสังเจตนา6เป็นตัณหา6เป็นวิตก6เป็นวิจาร6เป็นจิหมวดหมวดละ6หมวดละ6ทั้งหมดนี้เป็นกิริยาอาการของจิตครับแล้วมาดูอีกทีหนึ่งว่าร่างกายของเราเป็นกิริยาของจิตเพราะจิตมันมาเกี่ยวข้องมันมาผูกพันเป็นอาการของจิตไม่ใช่เฉพาะเวทนาสัญญาสังขารเจญาณ เป็นอาการของจิตกายของเรามันก็เป็นอาการของจิตถ้าใจไม่มายึดมาถือมาจับมาจองกายที่ไหนจะมีได้จะเป็นได้ไม่มีไม่เป็นด้วยเหตุที่เราเหตุที่เราเกาะด้วยเหตุที่สัญญาอารมณ์ตัณหาอุ ป, ปาทานมันมากาะเราจึงมีรูปมีกายอันนี้เราพูดอย่างนี้แล้วเรานึกถึงกายทิพย์กายทิพย์ที่พ่อแม่ผูบาอาจารย์ท่านพยายามพูดให้พวกเราเข้าใจ กายทิพย์เกิดขึ้นจากอะไรทั้งหลายกายทิพย์เกิดขึ้นจากเกิดขึ้นจากแรงของการยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานวิญญาทั้งหลายทั้งปวงที่เราออกจากร่างซึ่งความรู้สึกนึกคิดเวลาเรานอนหลับเราไปจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างนั่นแหละคือรูปของอุปาทานอุปาทานที่เรายึดตายไปแล้วเหลือแต่วิน ญ, ญาณตายไปแล้วเหลือแต่วิญญาณ อย่างเกิดเป็นสัเวสียังไม่ได้ไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยตายด้วยรูปยังไงก็ไปเกิดอย่างนั้นเพราะแม่วาจารบางองค์ท่านแสดงธรรมตายอายุหกขวบพอไปเกิดเป็นวิญญาณรูปร่างก็อยู่ในหกขวบนั่นแหละเคยเกิดเป็นผู้หญิงตายไปก็รูปร่างก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายตายไปก็เป็นผู้ชายแต่มันมีมันมีแต่วิญญาณนะไม่มีรูปรูปนี้เป็นรูป ที่เกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานาเวลาไปทรมานในรดพวกนรกพวกนี้ไม่มีรูปที่ประกอบไปด้วยดินน้ําลมไฟแต่หากเป็นรูปที่เกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยอุปาท า, านนี่ยึดเอาเป็นสัญญาอารมณ์ในหัวใจของเราสมมติอย่างเราหลับตาเราไม่เห็นรูปของเราแต่เรานึก ตัวเราอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นรูปเป็นรากเป็นอะไรอะไรการจำได้ความหมายรู้จักตั้ณหาพาิพัพากเอเดียตัณห า, าพาิพเกาะทําให้รูปเหล่านี้เกิดขึ้นมาเทวบุตรเทวดาทั้งหลายก็เหมือนกันโอปปปาทิกะกําเนิดไปกำเนิดไปเกิดขึ้นไปผลขึ้นเนี้ยแต่อันนี้เขาสําเร็จรูปไปจากจิตจิตที่ก็มีที่มีความปลื้มปีติยินดี ยู่ที่มีอยู่ในหัวใจสน้อมตอบให้คุณสมบัติเหล่านั้นไปเกิดเป็นกายทิพย์เป็นเกิดเป็นกายทิพย์เป็นรูปร่างที่เป็นทิพย์มีเครื่องประดับทิพย์อะไรเป็นทิพย์ประกอบเป็นเครื่องประกอบของนามธรรมเหล่านี้เนื่องจากนามธรรมเป็นผู้มีจิตใจดีมีเมตตามีกรุณามีเพือแปรมีศีลมีธรรมเนี่ยมีฮิริมีโอตระป ตายไปแล้วไปเป็นพวกกายทิพวกกายทิพวกกายทิ พ, พ, กกทพเหล่านี้แหละเกิดขึ้นจากอะไรแรงของสัญญาของอุปาทานที่เกิดขึ้นในหัวใจของเรา<ะ>มันยึดอย่างไรอยู่อย่างนั้นสมว่าไปตกนรกอยู่ในรนรกขุมนั้นนรกขุมนั้นเหมือนอย่างที่ฉันว่าถูกจองจําทําโทษในนรกเนี่ยถูกลงกระทกกระทกจองแดงอย่างเงี้ย<ะ>ไปแล้ ว, ล, วละลายหมดเท่านั้นเองกับ รู้สึกเป็นตัวเป็นตัวขึ้นมาอีกหละที่อยากพูดถึงไงนรำกรดํากรดเงี้ยตกไปในกระทะน้นำกรดเนี่ย น, น, น้ยนำกรดมันก็กลัดจนละเอียดหมดละเอียดหมดสลกา็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกนั่นคือภาวะการทำโทษทำโทษในส่วนกายที่เป็นกายทิศมันก็กระเทือนถึงถึงใจท่านบอกว่าไม่ตายละลายกี่ครั้งที่ผนก็ไม่ตาย เหมือนอย่างที่ท่านพูดถึงพระเทวทัตท่านไปทรมานอยู่ในอเวกีมหาน ร, รกนมีไฟทั้งสี่ทิศพุ่งมาสู่กายอย่างเงี้ยแดงร้อนอย่างนั้นก็ไม่ตายมายุ็นทนอยู่อย่างนั้นเลนี่คือรูปอุ ป, ปาทานยึดเอาถือเอาสำคัญมั่นหมายเอาในในในยมโลกในโลกในโลกของสันรกการไปผุดไปเกิด เราจะเห็นความสําคัญของการยึดมั่นถือมั่นด้วยตั้งเท้าป่าฐานนี่พระพุทธเจ้าเขามีความสามารถนะอย่างรู้ละเอียดไปจนถึงหลักว่าทํำยังไงถึงจะหมดแรงอันนี้ได้เพระยาธมห์แปดหมื่นสี่พันพระธรร ม, 8, 000, รมขันธ์ของพระองค์เกิดขึ้นจากความสามารถของพระองค์ทั้งนั้นอุบายวิธียังงั้นยนั้น ย, นนยนนัที่เอามาสอนพวกเราเหมือนอย่างที่ท่านพูดเอาไว้นิดหน่อยเท่านั้นเองอถ้าเพื่อ ใบไม้ในป่าเต็มป่าเต็มดงเนี่ยกับใบไม้ในกํามือที่ท่านเอามาสอนพวกเราเหล่านี้เท่ากับใบไม้ในกํามือแค่นั้นเองใบไม้ในกํามือกับใบไม้ในป่าเราดูสิมากมายมหาศาลขนาดไหนความรู้ความสามารถของสัพพายุตญาณมากมายขนาดนั้นแหละเอามาบอกเอามาสอนพวกเรา <c oughs> อย่าทะลุปลุกปลงไปไม่ได้ยังไง <c oughs> <c oughs> อุบายวิธีที่ท่ทานเอามาสอนภาษาวก <c oughs> <c oughs> พระสาวกบางโทนท่านว่าประเภทพุทธเวรในพุทธเวรในต้องพุทธเจ้าสอนเท่านั้ น, น่ะถึงจะได้บรรลุคนอื่นสอนไม่ได้บรรลุสาวกแบบนี้เขาเรียกว่าพุทธเวรในเช่นอย่างภาษาวกองหนึ่งพระจุลบรรทกเนี่ยพระจุลบรรทกเนี่ยบวชตลอดสามเดือนพี่ชายท่องคาถาสองแถวจำไม่ได้พี่ชายชื่อมหาบรรทมน้องชายชื่อจุลบรรทกบวชต้องพี่จำลอง สให้ท่งกระถางท่อหับไมหมอชีวกที่หมอให้ไปไปรับมาตัวหมอชีวกพราะได้เวลาไปไปในที่เสมอสมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นบอกพระมหาบักคบอกเพราะว่าท่านเป็นพระดุเที บอกให้ไปในที่นีมนตทั้งหมดแต่ไม่บอกคนเดียวคือน้องชายจุลปฐกโ้จุลปฐกเสียใจมากอับอายมากเสียใจมากอ่าผิดช้ามาวันที่ถูกวันที่นีมนัน้นนะ่ะหมู่ที่ถูกนิ่มนรวมทั้งพระบริจาก็เสร็จไปในที่นีมนแต่จุลปฐกเนี่ยออกไปหลังวัดว่าจะไปศึกเสียใจ <c oughs> อยู่ในเรต้าพุณที่ญาหมดพระองก็ไปดักเอาไว้เธอจะไปไหน ไปสึกพระเจ้าค่าเสยียใจพี่ชายให้เนรมิตผ้อ้ายมาหนีมานี่มา น, มานี่เธอไม่ได้บดอุทิศพี่ชายเธออุทิศผู้ที่เรามานี่มานี่มองเห็นแล้วทำไมพระจุลบันทกจึงไม่มีสติไม่มีปัญญามองทะลุปลุกโผลไปจนถึงเบื่องหลังตั้งแต่อดีตชาตินั่นนะรู้บายรู้วิธีที่จะมาสอนให้ฉลาดได้มาก็เนรมิตเนรมิตผ้าขาวขาวมาให้บริการนั่งบริการ ผ้าข า, ขาวๆันนี้เจยบัหมืกับผ้าขาวๆผ้าผ้าเช็ดหน้าเราเนี่ยผ้าข า, ขาวๆผืนหนึ่งมาบรินำนนะบริกรรมอยู่ที่นี่นะบริกรรมนะนะบริกรรมด้วยลูกคลาผ้าไปเพืโชวารัดั้งแระโชวารันังกันอรกรันดั้งมันเป็นธรรมะละเอียด น, นะเีลาท่านไปนขยายความเป็นธรรมะละเอียดมากหมายถึงฝุนทุเรียละองเกนสัาของเรา ไปถูไปถูไปถูไปขั ด, ข, ดขัดไปขัดไปผ้าขาวผ่องเนี่ยดำหมองขึ้นมาเอ๊ะมันเกิดขึ้นจากมือของเราไปสัมผัสเห็นความปฏิกูลของตัวเองเห็นความโสโครกของตัวเองโอ้ร่างกายของเราสกปรกนะฮะได้ปฏิกูลสัญญาพระพุทธเจา้าท่านทรงในรรมิตด้วยวิปัสนาพิจารณาในแง่ของวิปัสนาได้ปรรลุได้บนรลุธรรมขึ้นมาทันที เวลาได้บรรลุมาเนีเาเรียกว่าวิชาพลิกจิตพลิกจิตพลิกจิตได้บรรุพระอรหันต์นะพร้อมกับอภิญาวิชาพลิกจิตเทพธิดาท่านก็ยก้อ น, นไปถึง อ, อดีตชาติว่าไอ้พิทักษ์สัญญาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งได้เคยได้ตั้งแต่สมัยชาติหนึ่งนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินส่งช้างเรียบดูพระนครเมือง แ, แต่แต่เราเชิดพระเชิดหน้ามาเช็ดมาเช็ดพระพักเนี่ย เห็นเห็นภาคุมารเนี่มันดำเปื่อนโอ้เกิดความสลดใจตัวเราสกปรกขนาดนี้ผ้าผ้าเนี่ยดำตีนี่สลดใจแค่นั้น ท, ที่เรียกว่าปาัญญาสกุลสัญญาทรงผลมาจนถึงวาระสุดท้ายเห็นไหมปัญญาจะบินสามารถฉัน ม, มองเห็นมองยอ้อนนี่ประเภทประเภทพุทธเวนไงพ่ชายสอนมาตลอดทั้งภาษาไม่ได้อะไร พรุทธจ้าาสอนด้วยบาลด้วยวิธีนี้พระมองเห็นทสลุกผูกโปร่งหมดอ๋อเหตุอย่างนี้เหตุนี้ไปเอาอันนี้ออกเปิดอันนี้ให้ทําอย่างนี้ได้เรามาฟังดูแล้วเราเสียดายเหมือนอยากที่พระองค์ทรงตรัสว่าอุทกกระดาบดล拉ระดาบ ท, าาาบทนะทั่นแหละท่านลงไปเช่นก่อนนะวันที่พระองค์ได้ร่วงไปเช่นก่อนนะถ้าเพื่ออุทกกระดาบทอาจารย์ทั้งสองอยู่เนี่ยพระพทธเจ้ ท, าท่านสอนด้วยธรรมะ หเหตุที่พระองค์รู้หมดแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วนะ่เสรษด้วยบยวิธีเนี่ยติดอยู่ตรงไหนคาอยู่ตัวไหนเดินจิตตรงไหนจากไหนไปไหนมันถึงจะไม่มายึดเกาะมายึดมารเกาะรูปประชานอารูปประชานรูปสมาบัติอรูปสมาบัติเหล่านี้ก็จะบอกแป๊บเดียวหันมาทานันนี้ขยับมาทันนี้มันจะเคลียสิที่เป็นทุนี้ล่อในตาแป๊บเดียวโรขึ้นมาทันนี้ประจุระบาดถกทำเทวทิยาสศรได้บรรลุธรรมวิชาพลิกอิท เลยเนระพิจักหนึ่งองค์นั่นเป็นเป็นพันพันองค์ถึงเวลาให้พรแล้วอังฆ่าคือถวายทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะปริญญาตัว ย, ยังไม่หมดพระมายังไม่หมดให้ไปตามไปดูพระมีพระหนึ่งองค์มายังไม่หมดหมู่เขาก็ไปดูไปดูก็มีพระเต็มวัดพระเต็มวัดจากพระหนึ่งองค์นี่แหละในระพิเศษเป็นพระเป็นพันพองค์อยู่ในวัดเนี่ยองค์นั้นก็จำนวดองค์นี้ก็ปัด กว่าองนั้นเกิดเดิจนจงกรมองค์นี้กันนั่งสมาธิภาวนาเต็มวัดโอ้ยไม่ใชพระหนึ่งองค์พระเต็มวัดเลยไปใหม่ไปเรียกพระจุลปฐกจุลปฐกกลับไปใหม่ไปเรียกจุลปฐกจุลปฐกจุลปฐกเต็มไปหมดทั้งหมดนั่นแหละจุลปทกทั้งหมดกลับมาอีกไปจับมือใครว่าจุลปฐกไปจับมือพระจุลปฐกปับไปจับมือนอกนั่นก็หายหมดแน่ได้พระจุลบญได้พระจุลปฐกไปฉันนี่ เราพูดถึงความสามารถความอาจหาของพระพุทธเจ้าท่านมีความรู้มีความสามารถอย่างนี้พระสาพวกบางองค์ฟังด้วยสติด้วยปัญญาได้รู้ได้เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลที่พระพุทจาท่านทรงสอนแต่บางองค์ต้องใช้อุบายใช้วิธีด้วยของปราศาสดาเองท่านมีความสามารถอย่างนั้นนะนี่มันไม่มีอะไรปิดบงังนะ ความรู้ความสามารถของพระอาสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณนี่เราพูดถึงสัจจะเราพูดมาถึงสัจจะสัจจะคือชี้เหตุไม่ผิดไปจากผลชี้ผลไม่ผิดไปจากเหตุเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหมดที่พระองสอนเวลาสรุปมาเป็นข้อจํากัดจับเทีย้ยนอีกแล้วเหลือแค่เหตุกับผลเท่านั้นเองเหลือแค่เหตุกับผล ธรรมะแปดเมืสี่พันเธรรมะันนพูดสรุปตลอด ม, มาเหลือเหตุกับผลเท่านั้นเองเราดูไปที่อริยรรสัจทัสีอริยรรสัจทั้งีก็มีแค่เหตุกับผลเท่านั้นเองเหตุนั้นหนึ่งคือสมุ ท, ทยัยสมุ ท, ทยัยนี่เป็นเห ต, หเห ต, หเหตหุเหตุที่เกิดทุกทุกทุกกับสมุ ท, ทยัยทุกขน์กขนิโรธทุกขอนิโรธค่าไม่มีปฏิปทาทุก คือความทนอยู่ในสภาพมันเทอมไม่ได้ทุกขสมุทยัยคือเหตุให้เกิดกองทุกกองนั้นแหละทุกคนในรอก็คือดับทุกทุกคนใโรอดท่าขานมณีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกเหตุอันหนึ่งให้เกิดทุกเหตุอีกอันหนึ่งทําขึ้นมาเพื่อดับทุกเนี่ยเหลือเหตุกับผลเท่านั้นเองเหตุหนึ่งก่อให้เกิดทุกเหตุหนึ่งเพื่อระับดับเหตุที่ทำให้เกิดทุกน แนี้จบปริจ้าของเราได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะพระองค์ได้มาได้วิชาความรู้สาเด็จรูปจากอุญญาบา ร, รมีของพระองค์เองตรงนี้จึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ตัดสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ตัดสรู้เองโดยชอบไม่ปฏิเสธความรู้ความสามารถการศึกษาการได้ยินได้ฟังจากคนนั้นคนนี้จากเพื่อนคนนั้นนี้ศึกษาหมด ทุกรูปแบบ ท, ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนับตั้งแต่พระองค์มีจิตคิดจะออกไปบาเพ็ญออกไปสวยหาเนี่ยถือเป็นครูเป็นอาจารย์หมดไม่เคยถือเลืองถื อ, ถ อ, ถอตัวเลยบอกอยังไงเขาสอนอยังไงทำตามนั้นหมดเราดูดนาาานในลัทธิอภิจรรมฐานิโยกมันง่ายที่ไหนมันทรมานนะหายใจตักฟันด้วยฟันนั่น ล, ลมหายใจลมปกติร่างกายของเราันต้องหายใจ กออาปากอันนี้ปิดทั้งป่กจมะกหมปิดทั้งปากลมมันไม่มีที่ออกมันก็ดันออกทางหูอู้สียอกรอในพระอุพพรไปทรมานกายอัตติลามละลัที่อัตติลมถา น, นโยกเนี่ยเขามีเขามีมีการทรมานทรมานถึงขั้นไหนระดับไหนไม่ทราบจะได้รู้ทำและทำที่เขาได้รู้ได้ถึงนั้น คืออะไรเป็นไรเราทราบไม่ได้นะต้นต อ, นตอนของกติอันนี้ไม่รู้ก็าเอาอะไรเป็ น, เ ป, นเป็นตัวที่ว่าเป็นธรรมทรมานกายแต่ว่าต้องการธรรมะเกิดขึ้นที่ใจใจเป็นผู้รับรู้ว่าเป็นทุกข์แต่เวลาเป็นทรมานทรมานกายไม่เหมือนอย่างพวกเราทรมานกายด้วยการตั้งใจภาวนานะเหมือนอย่างที่เรานั่งเจ็บนั่งปวดเดี๋ยวนี้เรานั่งหนาวเหน็บเดีย๋ยวนี้ตั้งตั้งใจ เราได้รับความทรมานแต่เราตั้งใจฟังตั้งใจภาวนานผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นทั้งด้านจิตใจจากการที่เราตั้งอกตั้งใจภาวนาแต่การตั้งใจทรมานกายหวังจะได้ธรรมะเกิดขึ้นที่ใจเรามาเทียบดูแล้ว่วเหตุกับผลที่มันต่อกันไม่ติดท่านอะไรลองพิจารณาดูพระยะุเจ้าด้วยปุญญาบา ร, รมีด้วยสัมมาสัมพุทธะ มาปลุกมาเร้าพระไทยของพระองค์ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์บอกว่าเธอเรียนจบหมดแล้วรูปปัสมาบัติรรูปปัสมาบัติความรู้ของอาจารย์ทั้งสองจบหมดแล้วจบหมดยังไงหันมาดูพระไทยของพระองค์ทุกกองเต็มแพร่อยู่ในนะั้นในหัวใจในพระทัยของพระองค์ทุกอะไรละ่ะทุกห่วงใยทุกวิตกทุกกังวลทําไมจะไม่ห่วงใยจะมาทำไมจะไม่วิตกทําไมจะไม่กังวลพระหุนพระพิมพ์พระอาจารย์สุโททนะ นางประชาบดีโคจะมีอย่างเงี้ยทำไมจะไม่ห่วงในจะราชสมบัติอะไรต่ออะไรสรารพัดของพระราชบิดาทำไมจะไม่ห่วงเสียสละมาทุกทนทุกทรมานทุกยากลาบากเอ้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วอย่างเต็มแพร่อยู่ในหัวใจไม่ใช่ไม่ใช่จึงเป็นเหตุให้พระองค์หันมาทำความเพียรทางด้านจิตใจแต่ตอนนั้นเนี่ยร่างกายมันถูกทรมานจนจะตายแล้วชีวิตทินงจะขาด ชีวิตจะตายจะขาดซะก่อนเพราะอะไรเพราะอดพระพยาหานั่นตั้งแต่สวยเต็มอิ่มลดไปวันลดไปครั้งละคํำอีกมือหนึ่งก็ลดไปอีกคำหนึ่งอีกมือหนึ่งก็ลดไปอีกคำหนึ่งยี่สิบคำเนี้ยลดไปเหลือ19เหลือสิบแปเหลือสิบลดไปเรื่อยลดไปลดไปเหลือจนเหลือหนึ่งคำลดจากหนึ่งคำลดน้อยไปเรื่อยจนเหลือหนึ่ง ถาพรงจะฟืนไปองค์เราต้องชีวิตของเราต้องขาดก่อนแน่ๆธรรมะยังไม่เกิดขึ้นในหัวใจหรือไม่ใช่หันมาเสวยพระกญาหารให้กําลังเกิดยวกับตัณหาร่างกายให้ร่างกายมีเรื่ยวมีแรงมีกําลังซะก่อนคอยมาตั้งออกตั้งใจบำเพ็ญอีกนี่แหละเลยเป็นเหตุให้ปัญจวัคคียหนีจากพระงนูปไปอยู่กันคนละแคว้นจากแคว้นราชกฤตไปนูปไปอยู่แคว้นกาสี ไกลสักเทนะ่าไหร่น่ะจากบริเวณพุทธคยาไปที่แฝกพาราสีที่โปรงไปสอนพวกปัญจวัคคียนะ์ที่แรกกำลังปริจารณาอาจารย์นะาารยท่านปัญจกุลนะเทวดาท่านจะประโยชน์ทีย่ยใหญ่อาจารย์ทั้งสองน่ยถ้าอยู่โปรงก็มั่นใจเลยว่าไปเขียให้แป๊บเดียวโร่ขึ้นมา ท, ทันทีเพราะใจละเอียดมากเวลาเข้าสู่สมาบัติเนี่ยจิดสงบ Um galaxies, แนวยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหะมันไม่เหมือนพวกเรานะ่จิดที่สั้นได้สมาธิสมาบัติถึงขั้นนั้นระดับจับให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะไม่เหมือนพวกไหลจับมานี้ก็หลุดไปหลุดมาเนี้ยก็หลุดมานี้จับมาข้างหน้าหลุดไปข้างหลังจับมาข้างหลังก็หลุดไปข้างหน้าจับมาจากเรื่องนั้น่ไม่อยู่เรื่องหลุดไปเรื่องนี้ไปหลุกไปเรื่องนันไม่หยุดไม่หย่อนเพราะเราฝึกขัดดัดแปลงน้อยโครงทำมาจะอยู่มัน่ะให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น ตรงนี้อารมณ์ที่จะเ ป, เป็นเครื่องปลุกใจใจให้รับความสงบทรรมประเภทรู ป, ปรสมาบัติพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์คิดจบเรียนอนะไรบรรดาโลกียะสุขทั้งหลายรูปปัสมะบัติอารมณ์ปสมะบัติมีความสุขเลิศที่สุดบรรดาโลกียะสุขทั้งหลายนี่รปปรรรเร า, าไม่ได้หมายถึงว่าผู้ที่ได้อริยธรรมนะผู้ที่ได้อริยธรรม นักต้นเด็ขั้นต้นเป็นต้นไปถือว่ามีความสุบมากมายมหาศาลกว่าพวกเรบเนื่องจากว่ามันเป็นการต่อกกอนกันกับกิเลสโดยตรงกิเลสมันไม่มา ก, ก่อกลัวในหัวใจจิตรูปอยู่ในรูปปัสมับัติอารม ป, ปรสมับัติเวลาเข้าไปสู่ความสงบมีความสุขมากเพระาะฉะนั้นท่านจึงปล่อยมาได้ปล่อยม่านะัะปล่อยความสุขเหล่านั้นไม่ได้อย่างมีความสุขก็เข้าความสงบ แต่เวลาถอยออกมาจิตยังมีความโลภความก้มีความปล่อยไม่ได้่สุดเิปล่อ ย, นะยตัวเองไปยึดอยู่ร่ามไปาตัวเราสุขตัวเราสุขปกติตกจะ ย, ย้อนมาที่ไจุนย้อนหรือบุญาไม่มีอาจจะไม่เคสร้างบ ญ, ญ า, าไรเหอนอย่าง ไปชนไปเนี่ยท่านบอกว่าโอ้ไปอบัติในรูปประพบอรูปประพบน่ะอายุมากมาย ม, มหาศาลแปดหมสี่พันกับโอ้เมื่อไหรจะหมดจะระกับจะระกำจะละ ก, บ, ะละกบมีความสุขอยู่บนนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านบอกว่าเวลาไปอบตัตยังไนโอ้เสียเวลาเสียเวลาไม่ได้ไม่ได้ต้องรีบมาเพื่อจะได้สร้างบุญญาบารมีต่อไปไปอยู่เหมือนกับไปแวะอยู่ในที่ผาที่ เยียมละระยะเลาที่เนิ่นนานมากแต่วัตะสงสารที่เราวนเวียนไปบนการเกิดแก่เก็บตายนั้นการที่เราได้เข้าไปพักในในสวรรค์ชั้นใดๆชั้นใด ช, ช, ชั้นหนึ่งก็ตามก็ถือว่าเป็นที่พักระหว่างทางที่เยี่ยมไม่ว่าจะเป็นชั้นจารุงดาวดึงยามามมดุสิตปรินิมันิสวตีสปรินิมิตวัสสวตีอย่างเงี้ยตลอดจนถึงแอ รูปรูปรูปรูปประพกรวมไปันถึงอรูปประพกถือว่าเป็นที่พักแรมข้างทางที่เยี่ยมที่สุดเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราเรามาระวังการทำอย่าง น, น้อยก็ให้เรามาระวังเรื่องการกระทำพฤติกรรมที่กายที่วยายาของเราไม่เป็นเหตุให้รตกไปสัวบายตกไปสัวบาย สัตว์ประหาดเป็นเปรี่รกเป็นสัตว์รานเนี่ยไปมีเป็นประเภทของปฏิกกริาเนิดวันนี้มีกรรมนี้เพราะไปเสวควิดกรรมมใจของเรากรรมิยา ใ, ใจนทใจหนึ่งเดียวอ่าแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเรา แต่ในเที่เราได้ใจมาทุกคนมีใจคนละหนึ่งดวงได้มาตั้งแต่เราเกิดนั่นแหละถ้าเราเรียกตามหลักอภิธรรมท่านว่ามีมากมายไม่รู้ตั้ง ก, ก, กี่ดวงกี่ดวงอันนั้นเท่านั้นดวงอันนั้นเท่านั้นดวงดวงดวงเหล่านั้นคือกิริยาอาการของผู้รู้ทั้งนั้นท่านแยกแยะให้เราได้เรียนให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจตามหลักอภิธรมรมและที่สุผู้รู้หนึ่ง ผู้รู้ไม่ใช่ผู้รู้หนึ่งเดียวทุปฏิจจ ա จะชักให้สะอาดให้บริสุทธิ์เหลือนหนึ่งเดียวไม่ได้อย่าลืมว่าบรรดาสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปสิ่งเหล่านั้นเป็นกองสังขารคือนชื่อว่ากองสังขารจะต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตากองสังขารก็คือสิ่งตั้งแต่สองอย่าง2องสิงเป็นต้นไปเรียกว่ากองสังขารรอบข้างตัวเราไม่มีอะไร ไม่ใช่กองสังขารกองสังขารทั้งนั้นเราดูไปอะไรที่อยู่ในสายหมูสายตางเรากองสังขารเท่านั้นรวมไปถึงรูปประทังของเรารวมไัถงนา ม, มาราประทของเราเป็นกองสังขารเป็นกองสังขารเท่านั้นใจของเราเป็นกองสังขารนะเพราะอะไรมันมีกิเลสมันปรุงมาด้วยมันประกอบ ม, มันมีที่รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวมันอย่างกรู้พระเจา้า พระพุทธเจ้าท่านมีความสามารถท่านช้างสิ่งที่ปนเปื้อนมากับผู้รู้ของท่านหมดจดสะอาดเรียกเก่าเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งบุตรหมดจดหนึ่งเดียวไม่ใช่กองสังขารท่านก็มีคําเรียกว่าสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขา ร, ว, ขารวิสังขารี่สังขารไม่เป็นสังขารขึ้นชื่อว่าสังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบมันจะมีลักษณะสามอย่างปรากฏ อันนี้เราฟังไปเป็นข้อสังเกตมันเป็นโรงพยาบาลเป็นวิถีที่ทําให้เราเพ่งดูไปจนถึงหลักตามรละเอียดลึกเข้าไปคืออันนี้จังทุกขังอนัตตาเรามาดูที่ทุกขสมุทัยนิโรธที่หลักอริยสัจทั้งสี่ทุกอะไรที่ทเรียกว่าทุกคําว่าทุกทุกคืออะไรแต่ในข้อเราทั้งหมดนี่แหละกลับไปใช้ปุงเอาไว้ว่าสามสิบสองนี่แหละ ตั้งสามบสองอนนี้นี่แหละคือรูปมีเป็นกองทั้งฐานมีเป็นสิ่งปรุงเป็นสิ่งประกอบอ่ามีเป็นรูปเป็นสิ่งปรุงเป็นสิ่งประกอบมันจะประกอบไปด้วยอะไรคือคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบจากนั้นแล้วผิดคือผู้รู้ผู้รู้อุบัติขึ้นมาเองแต่อุบัติมาแบบไม่บริสุทธิ์มีสิ่งปนเปื้อนมาด้วยคืออะไร คือตัณหาคือปาทานคือกิเลสถลุลงไปที่ความอยากในหัวใจของเรารูปธรรมเป็นกองทุกข์นามธรรมเป็นกองทุกข์ทุกตัวนี้เป็นผลเป็นต้นบอกว่าเป็นตัวผ ล, ผ ล, ผลไม่ใช่ตัวเหตุเพราะฉะนั้นร่างกายเรามีความทุกข์มีความกระอดร้อนทุกอย่างลำบากเกี่ยวกับเรื่องกายเราพยายามไปดับกายเขาว่าเราดับทุกข์ไม่ถูกที่ แท้ที่จริงใจของเรามันพ่ายทุกทุกพระยึดกายใจของเรายึดกายใจก็งเรายิ่งทุกข์แต่บางคนมีความทุกข์มีความเดือดร้อนด้วยปัญหาสรารพัดไปพัดไปมัดไปพันในหัวใจของเราเสร็จแล้วก็ไปไปแก้ปัญหาโดยการไปมัดคอตัวเองตายเงี้ยมัดคอตัวเองตายเขาเรียกว่าแก้ทุกข์ไม่ถูกที่แก้ทุกข์ไม่ถูก แทนที่จะแก้ทุกแทนที่จะแก้เหตุให้เกิดทุกเด็กกลับเป็นการไปทำลายร่างกายมันเป็นผลผลไปจากใจจากใจที่ยึดที่ถือเนี่ยทุกร่างกายเป็นกอบทุกเป็นก้อนทุกจิตใจเป็นก้อนทุกเป็นกอบทุกเพราะอะไรเพราะมันประกอบไปดว้วยกิเลสตัณหานี่คือทุกทุกเหล่านี้ท่านให้เราพิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาเราก็หลงเพราะกองกองร่างกายเนี่ยเป็นกองสังขาม เดี๋ยวนี้เราลงกองสังขารคืนหลงกองทุกหลงหรือไม่หลงเราดูมาที่กายของเราตามแล้วเกินผิวผ่องแล้วเกินอ้วนผีแล้วเกินเต็มตึงเต็มควรจริตรงที่ทีห recruit, ห really, ええ่ควรเต็มตึงตรงสิ mm ่งที่ควรตึงผ่องตรงสี่ที่ควรผ่องอะไรหลงตัวเองดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเราดูหลงหรือไม่หลงคิริอาการคิริยอาการของความหลงเราดูความหลงในหัวใจของเราหลงกายของเรา หลงวาจาคำพูดของเราหลงความนึกความคิดกริมยี้มย่องในความรู้ในความฉลาดของเราหลงทั้งกายหลงทั้งใจที่เรียกว่าหลงถ้าให้พิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาเราก็หลงหลงอะไรหลงกองสังขารเลยลืมไปว่ากองสังขานี่คือสิ่งที่ท่านจึงให้ดูให้เห็นข้อเท็จจริงของมันคือสัจจสัจจพุธาทธเ้ท่านสอนสัจจ มันไม่เคยอยู่เท่าเดิมร่างกายไม่เคยอยู่เท่าเดิมการอันอยู่เท่าเดิมไม่ได้การที่ต้องเปลี่ยนไปพระองค์ทรงตรัสว่าทุกขงังกิริยาการลักษณะที่เปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทุกขังอนิจจ์คือภาวะประจํากองสังขารระลไว้อออกอันนี้เป็นกรี๊หมายป้ายทางสำหรับเราเอาไปเพ่งไปมองไปดู เอเราสงบแล้วเราก็ต้องจะต้องเํงงา ม, มาพิจารณาพิจารณารูปธรรมพิจารณานามธรรมพิจารณาอารมณ์ที่เกิดในหัวใจของเราเราจะเห็นความไม่คงทนเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่คงทนความเปลี่ยนแปลงเป็นธาตุสัขงขารเหล่านั้นเราดูให้เห็นไม่มีใครสามารถดัดแปลงได้นะกองสังขารใดก็ตามจะดัดแปลงให้มันมีให้มันอยู่เท่าเดิมไม่ให้มันเปลี่ยนไปดัดแปลงไม่ได้ บรรดาสิ่งที่มีอยู่ในโลกปลาบัรดิตทั้งหลายาดัดแปลงนะเช่นอย่างลมเราก็ดัดแปลงได้ไฟเ น, เ, ไนเนี่ยเราก็ดัดแปลงได้น้ำเนี่ยเราดัดแปลงได้น้ําปกติมันไหลเราที่จับแต่คนที่มีความสามารถเขาดัดแปลงมันไหลขึ้นสุดที่สูงได้สูบขึ้นดันขึ้นแน่มนุษย์ดัดแปลงได้ไฟเนี่ยไฟสว่างจากดวงอาทิตย์ บรรดาวิทยาศาสตร์ทั้งหลายปราดบันทิดทั้งหลายก็มาดัดแปลงเป็นไฟให้เกิดความสว่างนีง่ก็เห็นไหมสร้างพยายามสร้างเหตุให้มันเกิดความสว่างมาจําได้ในความสว่างนะั้นมันมีความร้อนนี่คือไฟดัดแปลงได้แต่อันนี้ยังทุกขังดัดแปลงไม่ได้ไเหตุที่ดัดแปลงไม่ได้นี่เองพระองค์ทรงตรัสว่ามันจะเป็นอัตตาได้อย่างไง ถ้าเป็นอัตตาเราจะต้องดัดแปลงได้เรยเห็นได้ดัดแปลงมาได้นี่แหละอนัตตาอนัตตาธรรมะของพระพุทธเจ้าอุบัติมาท่ามกลางอัตตาเรามาดูอุทกอนดาบทกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ถาวันคนละโลกคนละเรื่องอัตตากับอนัตตาเพราะฉะนั้นภาวะแบบนั้นเป็นภาวะของอัตตาพระเจ้าพิจารณาเลยละเอียดจนถึงขั้นว่าไม่มีผู้ที่เก็บไปรับ จากนั้นแล้วจะเอาอะไรมาทุกในเมื่อไม่มีผู้ไปรับไม่มีอะไรมารับแล้วไม่มีอะไรมาเป็นเจ้าของไม่มีอะไรเป็นของของเราเราไม่ได้เ ป, เป็นเจ้าของอะไรในที่สุดไม่มีไม่มีอะไรเป็นทียรองครับไม่มีอะไรที่จะมาเกาะทุกข์ในหัวใจของเราถ้าเราจะเทียบไปเหมือนอย่างต้นเสาเนี่ยหรือเจดียทั้งองค์ที่เป็นวัตถุนี้ ไม่มีความรู้ไม่มีผู้หูไม่มีผู้ยึดเอาว่าเราเป็นเจดีเราเป็นเจดีไม่มีผู้ยึดเอาเนี่ยเจดีทุกข์เจดีไม่ทุกข์เจดีไม่รู้เรื่องเจดีไม่รับทุกข์พุทธเจ้าท่านสามารถดัดแปลงมาได้ดัดแปลงมาให้เหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวอ่าไม่ดีไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ธรรมะที่มะดัดแปลงให้เกิดความไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีอยู่ สมรรถ ธ, ธรรมวิปัสสนาธรร ม, รรมที่ท่านพยายามันสอนพวกเรานี่เองสิ่งที่ดัดแปลงให้เรายึดเราถือว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรามีอยู่สอนให้เราดูไปที่ข้อเท็จจริงเหล่านั้น <c oughs> เราจะเริ่มรู้เริ่มเห็นสัจจะตามที่พระองค์ท่าน ส, สอนทําไงเราจะทําใจของเราให้ได้เหมือนอย่างเจดีย์เนี้ยเจดีย์ไม่มีวิญญาณเจดีย์ไม่มีจิตใจเจดีย์ไม่รับรู้ว่าสุขว่าทุกข์ หรือต้นไม้ที่อยู่รอบข้างตัวเราไม่รับรู้แต่ต้นไม้เหล่านี้เป็นเป็นสิ่งสักเป็นสิ่งที่มีชีวิตเขาว่าแสดงกิริยาการที่เป็นสภาวะแห่งความทุกข์ให้ปรากฏแก่เราเช่นอย่างเหี่ยวเฉาตายอย่างเงี้ยมันก็มันแต่มันไม่มีผู้มารับทุกข์ไม่มีไม่มีจิตใจเหมือนอย่างมนุษย์เรารู้จักท่านดักแปลงวัตถุดัดแปลงจิตใจทาให้เป็นประหนึ่งวัตถุ ไม่เกิดความยึดมั่นหรือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราจนความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่มาครอบหัวใจของเราไม่ได้ครอบหัวใจของเราไม่ได้เราพิจารณาดูตามองธรรมพวกเราทั้งหลายตัณหาส่งเรามาเกิดด้วยกันทุกคนตัณหาเก่าส่งเรามาแล้วตัณหามายังไงมากับผู้รู้ของเรา ผู้รู้เราเกิดมาต้งแต่เมื่อไรเราไม่รู้เราไม่ทราบพระพุทธเจ้าท่านก็นไม่ทรงตรัสเอาไว้ทรงตั้งไว้ที่อวิชชาอาวิชชาความไม่รู้ทําให้เราทําผิดทําถูกทาถูกทาผิดทําให้เราก่อทุกข์ก่อโทษก่อสุขก่อทุกข์อยู่ร่างไปไม่จบไม่สิ้นอีท่เรียกว่าทุกข์ความทุกข์ห เ, กกกเหล่านี้เกิดขึ้นจากการยึดจากการถือของเรา ความรู้ของเราเกิดตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่ไม่ทาราบเราต้องตั้งไว้ที่ิชาเพราะฉะนั้นกองสังขารที่เรากำลังพูดถึงนี่ในใจของเรากองสังขารในใจของเราเกิดขึ้นจากอวิชาชาอวิชชาเรามาดูในขณะที่เราตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธในขณะที่เราสติมีสติมีสั ม, สมสปชัญญะมีปัญญามีวิริยะอุสาห ประคับประคองตื่นรู้โร่อยู่ในนั้นในขณะนั้นตอนนั้นผู้รู้ของเรากลายเป็นวิชาวิชาแปลว่าความรู้ความสว่างแต่ถ้าหากไม่มีสติไม่มีสัพพัญญะมาประกบมาประคับประคองมาประกอบกิริยาเหล่านั้นให้ตื่นรู้โล่อยู่อย่างนั้นสนักหนึ่งตัณหาม่แทรกเข้ามาได้สติธรรมสัมพพัญญะธรรม เพระาะฉะนสติกับสัมปชัญญะจึงเป็นคุณอสมบัติที่มีอุปการะคุณทุกขั้นตอนของการตั้งปกตั้งใจภาวนาจากต่ําๆประจนสูงสุดวิบูตรพระนิพพานสติธรรมสัมปชัญญะธรรมพระพุทธเจ้าชัดจึงทรงเอามาตั้งในหลักมาหาสติปัฏฐานมาหาสีปัฏฐานเจริญรอยตามหลักมาหาสติปัฏฐานตั้งใจทําให้สืบเนื่องไม่เกิดช่องให้ขาดให้ทะลุ ติดกันพื้นไปกิริยาอาการของจิตของเราทําอยู่อย่างนั้นแหละเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีท่านพูดเอาต้องได้ทั้งหมดอุปธิคือหมดภกหมดชาติได้เป็นพระอาหารหันต์ถ้ายังมีอุปธิอยู่สูงสุดได้เป็นพระอนาคามิต่ำสุดเป็นพระโสดาบันนี่คือหลักวิสตินะเราเจริญสมถะเราก็ใ ส, ส่สติไม่มีสติสมถะ ก, ก็เกิดไม่ได้ พุโทโธพุโทโธหลงสติลืมสติพักอวิชชาครอบแน่เพราะแล้หลงสติพักอวิชชาครอบพออวิชชามันครอบขึ้นมาแล้วมันเอาคิดเราไปใช้สารพัดแลด้วแต่มันจะพาไปใช้อะไรก็ได้ตามใจชอบไอคําว่าตามใจชอบมันเป็นเรื่องของตัณหาทั้งนั้นขาดสติขาดปัญญาขาดการใคร่ครวนขาดขั้รกําหนดจดจ่อว่าเหตุผลชั่วดีสุขทุกขอะไรยังไงไม่ได้คาหนึ่งเละ ว่าแต่สิ่งเล่านีมาครอบจิตของเราปั๊บเอาจิตของเราไปใช้ได้ทันทีเปลอสติเปลือสัมผัสัญญาขาดความอดขาดความทนจิตของเราขาดคุณสมบัติที่มากระทำประ ค, รระครองให้ตื่นรู้มืดตึบขึ้นมาอวิชามันครอบขึ้นมาทันทีโมหะครอบขึ้นมาทันทีแน่ไปปรุงไปแต่งสังขารสารพัดเพราะฉะนั้นท่านยิงว่าอวิชาเป็นปัจจัยเกิดกองสังขาร กองสังขารนี้เรามาดูทั้งรูปประสังขารทั้งนามปสังขารทั้งกายของเราทั้งกิจของเราสังขารเป็นปัจัยเกิดวิญญาณเนี่ยโดที่มันพันกันไปวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดกองสังขารกองสังขารทําเป็นปัจัยเกิดก็เกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นเหตุไปจับไปจองเป็นนามเป็นรูปเนี่ยเป็นนามเป็นรูปเป็นพกเป็นชาติเป็นนามเป็นรูปเป็นอะไรขึ้นมารูป ก็เป็นเหตุได้เกิดเกิดมีอายตนะพัยอายตนะภายนอกท่านจึงเอาธรรมะมากำกับสิบหมวดอายตนะภัยใน6อายตนะภัยนอก6วิญญาณ6วิญญาณคืออะไรวิญญาณในที่นี้หมายถึงวิญญาณขันธ์นะไม่ใช่วิญญาณคือท่ารู้คือผู้รู้คือดวงฉิบตรงนี้หมายถึงกิริยาที่เกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วกระดับแป๊บเดียวก็ดับน้องตากันใช้คำว่าแยบดับแยบดับแยบดับวิญญาณตัวนี้แหละ มันเกิดขึ้นแต่ละขณะแล้วก็ดับเกิดขึ้นแต่ละขณะก็ดับแต่การที่เราตั้งสติเราตั้งได้ไหมการที่เราตั้งออกตั้งใจตั้งสติเราตั้งสติมาเพื่อพระคับประคองให้จิตของเราได้รับความสนบกเราตั้งได้หรือไม่ได้ถ้าเราตั้งอกตั้งใจตั้งไม่ได้มันใจของเรามันไม่ต่างอะไรกับดินทรายอ่าเอามาปั้นให้เป็นเอามาปั้นเอามาทุกมาตีให้เกิดเป็นหม้อ ไม่ย่งไม่จิดเป็นก้อนเป็นแท่งให้เป็นรูปเป็นร่างของหม้อขึ้นมาได้ยังไงดีไสนยก็ฉันนั้น้วยเหตุที่เราตั้งได้นี้เองเราจึงสามารถเข้ามารู้เข้ามาเห็นเทาเข้ามาทำความเข้าใจตรงนี้ได้จิตใจของเราเราสามารถประคับประคองให้ผูร้รู้เราตื่นรู้พุโทโธอยู่ยางนั้นเหี่ พุทโธพุทโธพุทจนเหลือวิตกวิจารณวิตกวิจาร์ไม่หลงไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมที่จะบริกรรมวิตกวิจารณพุทโธพุทโธนี่คือสมถะสงบอย่างเดียวสงบด้วยพิจารณาด้วยฉันว่าวิปัสนาวิปัสนาตามดูกิริยาการของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราจะเป็นรูปที่เป็นอารมณ์ที่เป็นรูปเขาตางจะเป็นอารมณ์ที่เป็นความนึกคิดในใจของเราเขาต่าง บุกิาการความเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเกิดปัญญาเพื่อเข้าไปรู้เข้าไปเห็นสัจจักสัจจักที่เราควรรู้ควรเห็นก็คืออะไรคือความไม่เที่ยงความไม่คงทนดูความเปลี่ยนไปไม่เที่ยงยังไงทุกข์ขังยังไงอนิจจังกันยังนั้นอนิจจังยังไงก็ทุกข์ขังยังงั้นกิริยามันสืบช่วงต่อจากกันเพราะเหตุมีทุกขขังจึงเป็นเหตุให้มีอนิจจังอนิจจังคือไม่เที่ยง โดยเหตุที่มีอนิจจังจึงเป็นเหตนนเหุเกิดทุกข์ขังหนักแปลงไม่ได้มีอยู่นี้เป็นอยู่นี้พระพุทธเจ้าใช้ความสามารถตรงนี้มาดูพิจารณาโอยึดไม่ได้ต้องปล่อยยึดไม่ได้ต้องปล่อยในขณะที่เราตั้งใจภาวนาในขณะที่เราตั้งใจภาวนาเกิดความเจ็บเกิดความปวดขึ้นมาเหมือนอย่างที่เราเก็บรวมไปถึงหนาวก็ตามรวมไปถึงเจ็บปวดก็ตามเป็นเวทนา ดูให้เห็นเป็นเวทนาเอาอะไรไปรู้เอาจิตของเราไปรู้จิ้มไปดูตรงนั้นไปดูตรงเวทนาตรงนั้นเขเวทนาดูตรงความหนาวความหนาวนี่เป็นเวทนานะนะถ้าเราเอาผ้ามาปิดมาให้อุ่นขึ้นมาปักดีใจอันนี้ก็เป็นสุด ข, ขเวทนาเนี่ยมันเวทนาทั้งขึ้นทั้งล่องนะนะเป็นเวทนาทั้งขึ้นทั้งล่องเรานะั่งเรานั่งปวดนั่งปวดเราขยับปับนะ เบารู้สึกดีใจนี่ก็เป็นเวทนาเป็นสุขเวทนามันละเอียดธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านละเอียดนะท่านให้เรารู้ไปจนถึงว่าทุกขเวทนาสักตะวันสุขทุกขเวทนาสักตะวันสุขหนาวก็สักตะวันหนาวสนามสักตะวันหนาวเราดูไปแล้วมันเหมือนมันเกิดความที่ว่ามันทราบไปในตัวของมันเองความเย็นเย็นมันมีผู้รู้ไปเห็น เนี่ยด้วยเหตุที่เราขาดปัญญาไอ้พูดรู้ว่าเย็นอ่ะมันก็เลยยึดวัจของเย็นใช่เองเราก็เลยสําคัญมั่นหมายว่าเราเย็นอันนี้แหละเป็นสาเหตุต้นต่อลุกลามไปถึงทุกทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีเราเปลดเกิดขึ้นจากการที่เรายึดด้วยประการทั้งปวงยึดนุนยึดนียึดอะไระอะไรสารพัดแล้วแต่มันจะแทรกเข้ามาด้วยกิริยาของรูปธรรมด้วยกิริยาของนามธรรม มันมีเป็นรูพุนทะลุไปหมดน่ะที่มันจะแทรกเข้ามาแต่ละช่องแต่ละช่องอ่ ะ, อะล้วนจะเป็นช่องที่ถ้ า, าเราพลั้งเผลอขาดสติขาดสัมผัจันทร์ปักตันหาสวมรอยเข้ามาอวิชาตันหาปาทานอันเดียวกันคือมันเป็นเรื่องของกิเลตมันเป็นสภาพที่ทำให้ใจเศร้าหมองเหมือนกันเราพยายามรื้เรียกไปให้ตรงตรงที่สุดก็คือตันหา ความริ้นรนความทะเทยอทยานอยากของใจของเราที่เรียกทะเรียกว่าตัณหาพวกเรานักปฏิบัติเราไม่ต้องไปแยกแยะขามตัณหาเพราะวา่าตัณหาวิพบาวตัณหารเราเพียงจะทําความกําหนดรู้ว่าตัณหาคือความอยากใครเคยย้อนพิจารณา ม, มาที่ใจของตัวเองจะรู้จะจะทราบจับจทันความอยากเกิดที่ใจเป็นยังไงเรากําหนดความอยากง่ายๆกระทอยากน้ําอยากข้าวอยากน้ํา อยากโน้นอยากนี้จิตของเราอยากพยายามหักทันความทันความอยากสิ่งที่ชอบใจที่สุดแต่อำนาจของกิเลที่สุดพยายามรู้พยายามทันความอยากเหล่านั้นเราหัดพยายามศึกษารู้เท่าทันความอยากหนักๆเข้าเราจะรู้เราจะเข้าใจเราจะทันถ้าเราไม่เคยพิจารณามาเราจะไม่ทันเราจะไม่ทันความอยากในเมื่อเราไม่ทันความอยากความอยากก็สวมรอยมา นึกยางได้ย่างหนึ่งความอยากสมรอยมาอ้าวปัญหาแทรกเข้ามาแล้วเอาไปใช้เรื่องเข้ามาแล้วเรื่องที่เราให้ทําลืมแล้วพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าลืมแล้วลืมพุโทโธแล้วขาดสติแล้วขาดชำชัญญาแล้วจิตของเราถูกความมืดมันคลุมและเอาจิตของเราไปไปแล้วนึกโกรดนึกเกลียดนึกอิจฉานึกราคะนึกตัญหาสารพัดมันโผล่ขึ้นมาที่หัวใจของเรา เนื่องจากว่ามันเคลืไปกับความของความลืมเทัางหลายทั้งปวงนี่สิ่งที่ปลุกให้เรารู้รู้มีอยู่ท่านให้ท่านจะ้ดูเราเอาใจเรามาพิจารมาย้อนดูมันกลายเปอนสัจจ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่า ง, างเราเข้าไปรู้ปั๊บมันเหมือนกับมันกระจายไปก็มันหายไปรู้ปั๊บมันกระจายไปก็มันหาย เราเก็บเราปวดไม่เห็นหายเราย้อนมาดูเจ็บยังไงอยู่อย่างนั้นไม่เห็นหายสิท่านเาไม่ขยับไม่หายท่านก็รู้ว่าปวดแต่อย่าเอาคําว่าเราเจ็บเราปวดเวลามันแสดงมาให้มาปรากฏว่าเราเจ็บเราปวดมีอยู่ถ้าไม่ดูไม่เห็นต้องพยายามดูพยายามพิจรารณาเราไม่ต้องไปแยกยาว ก, การมาโลกรูปไปโลกมารูปไปโลก ให้ดูความอยากในหัวใจของเราความอยากเกิดขึ้นจักความอยากเกิดขึ้นจักความยินดีรวมไปถึงความอยากเพราะความอยากมันจะแสดงเข้ามาที่ความยินดีความยินดีกับความยินร้ายมันสืบช่วงมาจากเวทนาเวทนาก็คือสิ่งที่กระทบสัมผัสสัมผั์ระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมทำให้เกิดเกณฑ์ความรู้สึกเกณฑ์ความรู้สึกก็คือท่าน ความเวทนานี่แหละคือเกณฑ์ของความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกกลางกลางเนี่ยทุกข้อมาสุขที่ท่นเรียกว่าเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นศูนย์รวมของธรรมทั้งหลายทั้งปวงท่านทั้งหลายจะได้บุญก็ได้ตรงนี้ท่านทั้งหลายจะได้บาปก็ได้ตรงนี้ท่านจะได้ปัญญาก็จได้ตรงนี้จะได้ความไม่ฉลาด รู้เท่าทันก้นไม้หงายาของเกล็ดหัวใจของเราก็ก็เกิดขึ้นอยา ก, หา ใ, หกให้เราไปให้จิ้ให้จิตของเราไปเอียดเข้าไปตรงนี้ธรรมชาติมันเป็นการเหมือนกับแยกของมันหากมันเหมือนกับแยกของมันเองขอให้เราพยายามหันมาตรงนี้เราจะได้วิถีนี่คือบายต่อสู้กับความหนาวอย่างหนึ่งนะอะลองทําลองดู น้องจิ้มก็ไปดูทั้งความรู้สึกก็ไปดูแต่งน้นหลักของเราไม่ทิ้ง <c oughs> พุโทโธพุโทโธพุโทโธถึงคราวที่จิตมันไม่อยู่มันออกไปบ้างก็ไปย้อนไปดูย้อนไปพิจารณาสิ่งเหล่านี้เกือ้อกูลกับการที่เราตั้งอกตั้งใจภาวนานี่เราพูดมาถึงสัจจะสัจจะที่เราพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ มีความรู้มีความเสาวมักสามารถเกี่ยวกับเรื่องสัจจชี้ไม่ผิดชี้เหตุไม่ผิดไปจากผลชี้ผลไม่ถูกไปจากเหตุแต่พวกเราปุถุชนนั้นชี้เหตุผิดไปจากผลชี้ผลผิดไปจากเหตุผู้พูดในมักจะตั้งอุ ป, ปมาขึ้นมาอยู่เพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆ <c oughs> คือหัวใจของเราของท่านขุคนคลต้องการความสุขความเจริญ <c oughs> <c oughs> ปรารถนาทรัพย์ ปรารถนาความไม่มีโรคปรารถนาความสุขปรารถนาทั้งตัวเองทั้งญาติทั้งพวกทั้งพ่องทั้งพ่อ ท, ทั้งแม่ทั้งอะไรต่ออะไรตายไปแล้วก็ให้ไปสวรรค์มีความปรารถนาอยู่อย่างนี้หละถ้าเราจะเทียบความปรารถนาของเราเหมือนกับเป้าไร่้เราต้องการจะป้ายสีขาวเนี่ย แต่พฤติกรรมที่เราทําเหมือนกับเราเอาแปรงไปจุ่มแต่เวลาเราไปจุ่มเราไปจุ่มสีดำเพราะจุมสีดําปั๊บเราเอาแปรงไปป้ายมันจะเป็นสีขาวหรือเป็นสีดําเป็นสีดําตรงกับความต้องการในใจของเราไหมนี่พุทดชนของเรามีภาวะเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านต้องการป้ายสีดำท่านจุ่มสีดําไปป้ายสีดําท่านต้องการสีขาวท่านจุ่มสีไปป้ายเป็นสีขาวเพราะไหนเพราะใน อย่างที่ของท่าทุกโปรโงเจีมแก้งหมดแล้วเป็นข้อประมาให้เราเข้าใจง่ายๆ <S <S เราทําได้เหมือนพระองค์ไหมทําตามคําสอนของพระองค์ทาตามคำสอนของพระองค์คงงคผู้ใดเห็นธรรมเข้าถึงธรรมผู้นั้นเห็นเราเข้าถึงเรา <S <S ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม <S <S ผู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวเหมือนอย่างพระจิต ที่บริสุทธิ์ของพระบุตรเจ้าเปนชักล้างไปจนหมดสิน้นกิเลสตัณห า, าที่ปนเปื้อนมาในหัวใจสงบยุยบย่อทำลายไปจนเป็นสภาพที่นิ่งอุปธรรมเป็นธรรมะไม่กําเริบพระอริยสาวกทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายผม ท, ทําอยู่ทําหนักทำเบาเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าหายังกําเริบอยู่ยังไม่ถึงขีดถึงขั้นยังไม่สําเร็จรูป มันยังเป็นการกําเริบอยู่ต้องทําเหตุให้ให้เป็นเหตุสมควรที่จะเกิดผลให้เราทั้ง อ, อกตั้งใจทำเหมือนอย่างเราสีไม้เกิดไฟนั่นแหละท่าน อ, อุคประมาสีไม้เกิดไฟในขณะที่เราเสียดสีไฟไม้มันร้อนอยู่ร้อนอยู่จะโอกาสที่จะเป็นเปลวมเป็นไม่ได้สีอยู่นั่นแหะสีมาหยู่สีสีไปแล้วรู้สึกว่าเห น, น, นื่อยไปหยุดแน่ ความร้อนก็เย็นไปีแล้วสีแล้วก็หยุดความร้อนก็เย็นไปีแล้วถ้าให้สีต่อเนื่องรู้ว่าจะติดมีสัญลักษณ์ไฟปรากฏมีควันปรากฏมีฐานดํามีทนนั น, ทนแดงๆประะากฏแยเจนแยบกันลุกเป็นเปลวไฟปุบขึ้นมาเป็นเปลวไฟยี่พวกเราพู้ดูชนได้แล้วพระองค์ทรงเ ป, เ ป, เปรียบเทียบให้เราเห็นได้ชัดมากเลยเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยาง ด้่เหตุที่พวกเราทั้งหลายบริโอกาเหมือนแช่อยู่ในน้ําอีกเอาไม้สดๆไปสีเกิดไฟแล้วมาพิจารณาลองดูทีไฟกับน้ํามันเป็นปฏิปักษ์กันมันเป็นขึ้นมาไม่ได้เหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าแต่พระองค์ไม่ได้ทรงปฏิเสธวิบากผลที่เราทํานะคือเชื่อว่าทําไม่ว่าทำํำใดสิ่งใดๆก็ตามทําไปแล้วมันจะมีผลมีจะมีผลมันจะมีผลมีมีวิบากแม้แต่ไม้สดๆที่เรามาสีกันลองสีมาดูที่ไม้สดๆ สีไปสีไปมันทะลอะปอกเปิกเริ่มเบิดเริ่มแห้ง เ, เ, เ, เ, เริ่มอะไรต่ออะไรไปในที่สุดจะสามารถเกิดเป็นข่าเป็นไฟขึ้นมาได้ท่านไม่ปฏิเสธเพราะฉะนั้นคําสอนของพระองค์จึงเป็นกรมมรกิริยาเกิดขึ้นจากการกระทำไม่ใช่นึ ก, น ก, นกคิดคิดเดาเดาแล้วก็สำเร็จสำเร็จรูปสําเร็จประโยชน์ต้องมีกิริยาประกอบเรามาพูดถึงบุญบุ ญ, บญต้องเกิดจากกิริยาผลทั้งหลายทั้งปวงที่กิริยาของกาย กิจกรรของวิญากิจกรรมของใจเกิดจากกิริยาของการกระทํากํากับดูแลทั้งนั้นเหมือนอย่างท้านให้เราตั้งใจรักษาศีลตั้งใจรักษาศีลเพื่ออะไรเพื่อมาระงับดับกายยังกับให้กากับของเราบริสุทธิ์ให้ไหวจีกับของเราบริสุทธิ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ พ, พูดปินันการมนี่ยวจีกับไม่พูดเท็จพูดหยาบพูดสเสียดพูดเพือเจอิดเพราะกิริยาเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นโทษ สมมติเราลองเราเมิดปั๊เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมตามมาอีกไม่ใช่แค่สินขาสินขาดเนี่ยสำหรับคนใจหยาบหยาบแล้วจะไม่เกิดความรู้สึกเลยสินขาดเนี่ยแต่ถ้าเป็นคนจิตใจละเอียดแล้วเหมือนอย่างจิตใจของพระโสดาบันเนี่ยรักษาสินยิ่งกว่าชีวิตนะฮะจิตใจละเอียดจใจต่างกันนะคนจิตใจห ย, ยาบหยามัฆ่าสัตว์เนี่ยมันไม่เกิดความรู้สึกอะไรแหละรักทรัพย์เอาของเขาเนี่ย ไม่เกิดความรู้สึกอะไรแต่ถ้าคนใจละเอียดแล้วโอ้เรามาดูเคยได้ยินเขาพูดถึงว่าชูชกไปขอชารีคญหาเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าเพรารเวสสันดรตอนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเราะเเป็นพระเวสสันดรนะตอนนั้นนางมัดสีไม่อยู่มาทำดีนั่ ใ, ใจเ้ ปกติผู้หญิงเนี่ยย่อมไม่ให้เพราะฉะนั้นตอนนี้เธอไม่อยู่เพราะฉะนั้นจะต้องให้พอให้ไปแล้วอ่ะทั้งชาดีทั้งการหาก็ไม่อยากไปดื้อย่างนั้นอย่างนี้ชูชกมาตีเอาลูกมาตีเอาโอรธชิดามาตีต่อหน้าอื <c oughs> ดูเหมือนดูถูกเย็นจังหมายววากิจัยแห่งความโกไไรธภายในแปะไทยเกิดขึ้นแค่นั้นเองชักพระขันขึ้นมานะ พอเห็นชูชกทำมาเมนชักประคันขึ้นมาคิดได้คิดได้ดไดโอ้โหเสีย อ, อกเสียใจร้องมมร้องไห้จนน้ำตาเป็นเลือดนะได้ยินางนนเสียใจที่ความโกรธมันเกิดขึ้นในขนาดนั้นในตอนนั้นนี่คือผู้มีจัจละเอียดแต่สำหรับผู้ที่มีใจห ย, ยาบๆแล้วมันไม่เกิดความรู้สึกอะไรเลยไปฆ่าสัตว์เฉยสบายที่จะาจะฆ่าสัตว์ฆ่าคนสับๆแลสั บ, บ, บ, บ, บนะรักสั์ ของเขาของใครก็ตามไม่ได้มีอะไรมากระตุ้นเตือนใน ห, หัวใจให้มันหยาบท่านจึงให้รักษาศีลศีลมากำกับกิริยาที่กายที่วาจาจะต้องมีกิริยามากำกับการตั้งใจรักษาศีลได้รักษากิริยากายให้บริสุทธิ์รักษากิริยาจวาจาให้บริสุทธิ์บุญเกิดที่กายบริสุทธิ์บุญเกิดที่วาจาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นบุญของการตั้งใจรักษาศีลนี้ มีผลเมียในส ม, มากกว่าทานมหาทานทั้งหลายทั้งปวงนะการให้ศีลการตั้งใจรักษาศีลมีผลเมียในส ม, มากกว่าเพราะอะไรเพราะการที่เราตั้งใจรักษาศีล น, นั้นอ่ะมันต่อกรกันกับกิเลสแล้วมันต่อสู้กันกับกิเลสแล้วอการให้ทานเฉยๆเราแค่ต่อสู้กับความอยากความเสียดลงเสียดไดไม่มากนะบางทีให้ได้ยุคนอื่นนะ ใจมันเชี่อได้ไม่ปล่อยอยู่นั่นแหล ะ, ะเมือเมือนที่ยันใหม่ท่านพูดถึงทันเทศเล่าให้ฟังท่านพูดถึงว่าสัมภเวษีตนหนึ่งน่ ะ, ะสัมพเวษีตนหนึ่งสมัยยังมีชีวิตอยู่มีสภาพสรีทีเหนียว อ, อายุสามสิบสองแล้วไปแต่งงานตอนนั้นก็สะสมทรัพย์มีความร่ำรวยพอสมควรปรแต่งงานพอหลังจาก งานเสร็มแล้วเนี่ย mote, แม่ผัวเนี่ยเห็นว่าไอ้ลูกสะพายคนนี้เนี่ยจะมีชีเหนี้วแล้วก็เอ้ยบอกอบอกน้อยชื่อน้อยน้อยเอ้ยไปทําบุญกับลุงตานี่ท่านกาลังทําู่นทำนี่ไปช่วยทําบุญกับท่านสักพันบาทเนอะอนี่ยเราจําท่านแล้วเรามาเล่าต่อไปช่วยท่านไปทําบุญกับท่านสักพันบาทน้อยกับรับบาทรั บ, บ, ร บ, บไปทำไปแค่ห้าร้อยบาทไปทำแค่ห้าร้อยบาท ในในพวกชาติที่ยังไม่ตายเป็นสัพเพเวสีนะก็ทำแคห้าร้อยบาทไอห้าร้ยบาทที่ทาไปแล้วเนี่ยเสียดายอยู่แล้วนะควสที่เกิดขึ้นในใจเกิดไม่ได้เสียดายอยู่ในเงนนะทีพออายุสามสิบสองเนี okay. like <laughs> ่ยแต่งงานครรกกคนหยุด <wing> ด <pronouns> ้วยกันได้หกเดือนตกเลือดตายฮนียู่ด้วยกันได้หกเดือนตกเลือดตายตายแล้ว ไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรกินไม่เคยทาบุญไม่เคยให้ทานให้แค่นั้นยังไม่มีผลพราะที่จะได้อยู่ได้กินมีเสื้อผ้าติดตัวหนึ่งผืนนั่นะเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนไปนวนเร่ร่อนไปแร่ร่อนไปเร่ร่อนมาพวกนี้คือพวกวิญญาณนั่นแหละใครมี จ, จิตใจอ่อนก็ไเข้าไปเข้าสิ่งไปเข้าสิงข้าวข้นหนึ่งครูบายอาจารย์เป็นเจ้า ม, ม, มาสอนให้ทําคุณงามความดีได้สําเดชประโยชน์ จะมาเล่าพอคร่าวๆแค่นี้นี่เราพูดถึงว่าอะไรพูดถึงว่าบางคนเสียสละให้ไปแล้วก็ตามใจมเสียเสียตายอยู่เสียตายอยู่แต่ของหลุดไม่หลุดไปแล้วแต่การต่อสู้กันกับกิเลส น, นั้นนะ่ะมันเป็นการต่อสู้กับกิเลสในใจของเราขกันกรรมไวจีกรรมเพราะฉะนั้นศีลจริงทําให้ไกายขอเราบ่ริสุทธิ์ได้ขยกรรมไวจีกรรมเราบริสุทธิ์ได้ โดนดิ้มาทีกายได้เอาศิลมานะงับอย่างนี้ป่าตันหามันแสดงมาที่กายมันเป็นปลายเหตุนะสงบระงับดับด้วยศีลศีลนะสงสบระงับไดต้ต้องถือมันให้ได้นะต้องถือต้องรักษาให้ได้แต่ผู้ตั้งใจถือตั้งใจรักษาก็คือใจนั่นแหละแต่มันเป็นวิถีวิถีหนึ่งวิธีกายวิถีวาจาเมื่อตั้งใจรักษาศีลอีแล้ว ตัณหามันดิ้นอยู่ในหัวใจนั่นแหละก็เหมือนอย่างที่ว่าเขาไปทําบุญห้าร้อยบาทแล้วก็เสียได้อยูใใจเนี่ยเนี่ยตัณหามันดิ้นอยู่ในหัวใจท่านก็มาสงบนะครับดับหัวใจดับที่ใจพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราเจริญสมถะจิตมันดีด้ดิ้นไปตามรูปตามเสียงตามกลิน่นที่มันมีความผูกพันมีความเกี่ยวข้องนั่นแหละ มันดีดมันดิ้นมันชอบมันโยนท่านจึงให้เอาบทธรรมไปบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นบทธรรมนะบริกรรมไปเท่าไหร่จิตมีสติมีสัมผัสยัญญาแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้รู้จิตจะสงบอยู่อย่างนั้นดับสัญญาอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสได้ทั้งหมดทําให้ตัณหามันดีดดิ้นในหัวใจของเราไม่ได้มันสงบระงับลงไปสงบระงับได้แค่นี้ท่านเรียกว่า มีความสุขไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าสมบระนบับอาการกิเลสฐานมันดี่มดิ่มในหัวใจของเราปัญญาย้อนไปดูเหตุดูผลมันสงบระนับได้พอเวลาเราออกมาจากความสงบเหล่านั้นมันก็โดดดิ่มได้เหมือนเดิมอโดดดิ่มได้เหมือนเดิมท่านจึให้พิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลเพราะสัจจะข้อเท็จจริงของมันมีอยู่แต่เราไม่ได้ใช้ปัญญาไปพิจารณาท่านจึงให้ใช้ปัญญาพิจารณา ศีลสมาธิปัญญาเป็นเหตุให้เราได้อัดได้ทําได้มักได้ผลได้ไดนิพพานอันนี้เป็นแนวปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพยายามใช้ด้วยความสามารถของพระองค์ได้เข้าไปรู้สักจะทำมากมายมหาศาลจนเป็นรสัพพนจุติยานสัพพนิพพยานอนดีตอนาคตปัจจุบันสารยานไม่ได้รู้เถิด ปวงของพระพุทธเจ้ารู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะด้วยพระยาทิการที่พระองค์ทรงสร้างบรารมีมานี้เองอพวกเราทั้งหลายเจริญรอยตามพระองค์จะร้อยตามพระองค์ก็คือศึกษาก็าอัดข้อธรรมตามพระองค์ธรรมะทุกบททุกบาทที่พระเจ้าตรัสทรงสอนนั้นเป็นสื่อให้เราศึกษาเข้ามาสู่หัวใจของเรา เป็นตื่นเข้ามาสู่หัวใจของเราเมื่อใจของเราถึงอัดถึงทำแล้วเราเกิดความรู้เกิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอัดเรื่องทำเหล่านั้นเหมือนกับใบไม้ในกามือที่พุทธิเจ้าท่านสอนเนี่ยพอเรารู้เราเข้าใจโอ้ใบไม้เป็นงนี้ทีนี้อายุนอกกา ม, มือเราเห็นได้ไหมอยู่นอกกา ม, มือของตรงมากมายมหาศาลเนี่ย ไ, ไ ด, ไได้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์บางองค์เวลาท่านบอกสอ น, น, น บางอางท่านเอาใบไม้ในกำมือของพระพุทธเจ้ามาบอกพวกเราบางอางท่านก็ไปหยิบยกเอาใบไม้นอกกำมือของพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเอาพวกเราปราดบัณฑิตทั้งหลายก็ปฏิเสธอไม่มีอะไรพระไตรปิฎกไม่มีอะไรพรไตรปิฎก <c oughs> เหมือนอย่างคําว่าพุทโธพระพุทธเจ้าไมพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไม่ได้สอนให้บริกรรมอย่างนั้นไม่ได้ไม่สอนให้ว่าอย่างนั้นปรองสอนให้เราเจริญสมถะ เอาอะไรก็ตามมาทําให้ใจสงบนั้นเป็นสมถะเป็นปรรพระประสค์ขอโปรดแล้วเอาอะไรมาพิจารณเกิดปัญญาแต่ไม่ห่างไปจากรูปธรรมของเรานามธรรมของเราเพราะเราพิจารณาไปที่อื่นมันไม่เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายกองทุกข์ตั้งหลายตั้งปูงพิจนารณามาที่กายออของเราที่ใจของเราเราจะเกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายใจละคืนคลายสิ่งที่ยึดโนมาถือมั น, ม น, ม น, มนทั้งหลายตั้งปวงนี้ไป จะเป็นเหตุทําให้เราเกินห่างเหินจากกองทุกข์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความสามารถของเรามันไม่ง่ายเลยล่ะเราดูแต่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีเถอะเพราะฉะนั้นพวกเรามาล้างมือเปิมทำทำทำทำคอยได้คอยได้คอยไ ด, ยได้มันไม่ได้สนใจไปยุติโอ้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วยกเลิกครูบาอาจารย์ทั้งทรงคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงอหลนี้เป็นคติเป็นตัวอย่างให้เราได้รู้ได้เห็นมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นพวกเรา เป็นผู้เดินเจริญตามพระพุทธเจ้าพวกเราต้องมีการได้ยินได้ฟังต้องมีการเอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาถือตามมาประพฤติตามมมาาปฏิิบัตตพวกเราชาวพุทธจึงจะไม่เป็นหมันช่วยพยายามพากันผลักดันธรรมะจัด ก, กับประวัตินัที่พระพุทธเจ้าให้เป็นไปนี้พยายามมาช่วยกันหมุนล้อจัก จับแห่งธรรมที่พระพุทธเจง้าท่าทรงประทานให้กับพวกเราคืออะไรคือศีลสมาธิปัญญาสรุปลงไปที่ล่ะทุกสมุทัยนิโรธมกักอุตสาหะภ า, าเพียนขยันมันเพียนตั้งออกตั้งใจทําด้วยเรี่ยวด้วยแรงด้วยความสามารถหากบุญญาบา ร, รมีของเราบญญางคนบางคนญาติบางคนละเอียดบางคนก็นบ้านได้ ก็ปั้นไม่ได้เชลเลยมันแตกต่างกันมากอันนี้เรารู้เราเองการราตั้งโตั้งใจไปจากนั้นการได้ยินเรื่ง อ, องความก็ตามการตั้งโอตั้งใจทำก็ตามจริตวิสัยของเราอยู่ขั้นไหนระดับไหนก็ตามธรรมะของพระพุทที่เราตั้งโ อ, อตั้งใจทำนั้นสามารถไปต่อยอดให้ได้กับระดับจิตใจของเราได้กับทุกยอดไม่มีเสียเปรียบไม่มีได้เปรียนไม่มีเสียเ เพราะฉะนั้นไม่มีการเสียเปรียบไม่มีการได้เปรียบบางคนนั้นได้เปรียบโอ้ยเรามันเสียเปรียบแล้วไม่ใช่เราดูได้บัวสีเหลาบัวสีเหลาบัวสีเหลาลองตาท่านพูดให้เกิดประโยชน์สําหรับพวกเราพู้ได้ยินได้ฟังเราคนเดียวอีกเปรียบปหนึ่งวัวเปรียบเปรียบเสมือนบัวสีเหลาสมมติเราอยู่ในขั้นประ -paramak ติดที่ตรงที่โคลนเนี่ยเราพยายามยืดตัวเราเพิ่มไปเราต้องพยายามยืดนะการพยายามยืดจะต้องมีกิริยาประกอบ กิจกรรมคือเราจะต้องทําเราจะเทียบไปที่ดอกบัวไม่ได้ดอกบัวจะเป็นที่คลนที่ต่อมดอกบัวหากมันยืดโดยหลักธรรมชาติขาใใเข้ า, า, ม, ม, า, า, ม, ม, ามันใจเพรเราถ้าหากเราไม่ดึงหมายใช้กิจกรรมไม่ดึงมาใช้กิเลสมันก็ดึงก็ไปใช้ถ้าเราไม่ประกอบธรรมเราไม่ประกอบบุญบุญไม่เกิดธรรมไม่เกิดไม่เหมือนต้นดอกบัวดอกบัววันคืนต้องไปหากมันยืดมาตามหลักธรรมชาติเข้ามาอ่า ทำตัวประหนึ่งเหมือนดอกบัวยืนมาจากประทับประม ะ, ะมาเป็นในยะมาอยู่กลางกลาน้ำโผล่ขึ้นมาจนถึงกลางกลงน้ําพยายามยืดตัวเองด้วยความสาหาาัสพยายามคว า, ามขยันมันเพียรยืดจากกลางกลาน้ํามาโผล่เสมอน้ำนะเป็นวิปปิจตันอยู่เสมอน้ํายืดออกมาจนโผล่พ้นน้ํารอดรอแสงอาทิตย์มาถูกมาต้องแล้วจะได้บาน ตามเรียกกตาาะเวลาของดอกบัวซึ่งเป็นข้อพมาที่พระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบให้กับดวงใจกับสติกับปัญญาที่พวกเราถ้าทําอันนี้เนะพราะฉะนั้นเราทราบอย่างนี้ขอให้เราพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวเองด้วยการ ต, ตั้งใจให้ทานตั้งใจมีฝนเมียให้สดตั้งใ่รักษาศีลก็ไปแล้วมืเ่เรื่องที่เราผิดแล้วมันไม่ใช่แค่ผิดศีลมันเป็นเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรม เดี๋ยวนี้พวกเราอยู่ด้วยเวรด้วยภัยด้วยกรรมเวรภัยกรรมจะตามเราทุกขณะกิจของเราเพราะฉะนั้นใครธรรมะระวังได้คนนั้นก็มีความสุขใครรรมะระวังไม่ได้คนนั้นก็ทุกเวลาทุกมาถึงตัวเองกับทาไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นเราแต่เวลาอยู่ต้องการสร้างคุณงามความดีสร้างสติสร้างปัญญาเกิดขึ้นในหัวใจของเรางอมืองอตีขี้เกียจขี้คราน เวลาทุกมาทับทั่วหัวใจทําไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นเราก็ต้องเป็นเราแหละเราลูาม้มราบให้กับกิเลสเราไม่เคยฝึกฝนอดร้มไม่เคยฝ่าฟืนตัวเองให้ได้รับให้ได้อัดได้ทําได้ตั้งอกตั้งใจทําให้เกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมานี่เราจะมีโอกาสได้พิจารณาได้แก้ไขตัวเองจะได้กลับเนื้อกลับตัวการปรับปรุงแก้ไขกลับเนื้อกลับตัวกลับทิฏฐิกลับมานะ ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่สายเกินใครแม้แต่เมื่อสุดท้ายก็ยังมีประโยชน์สําหรับผู้ตั้งใจดัดแปลงแก้ไขตอนนั้ น, น, นมันไม่ ม, ม, ม, มีมันไม่มีวันสายสำหรับใครจะตั้งอัวตั้งใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งใจต่อไปเรื่อยๆตั้งใจต่อไปเรื่อยๆขอให้การได้ยินได้ฟังครั้งนี้ทั้งนี้เป็นอนุสอนเป็นเครื่องมาป ร, ปรับปรุงดัดแปลงกิริยนิสัยของเรา จะถือเอาเด็ดขาดจริงจังอย่างนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นทุกคนไม่เหลือวิสัยที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจทําตนี้เรายังไม่ได้ชาติหน้าชาติไหนยังไม่ถึงทํากจนถึงขอให้ทาดีอย่างน้อยเรามีสวรรค์เป็นที่ไปมีนิพพานรออยู่ข้างหนะ้ายังไม่ถึงก็ได้พักระหว่างทางมีสวรรค์เป็นที่พักกับคน ที่ไม่มีที่พักดิบดีขนาดนั้นพวกอบายปลยาบายนะ่ะไปอยู่ในแดนทรมานอย่างนั้นลองดูสิแค่มาเกิดเป็นสัตว์นิริชานเรารู้เลี้ยงดีขนาดไหนก็ตามเป็นสุนัขเป็นแมวเนี้ยเลี้ยงดิบเลี้ยงดีขนาดไหนก็ตามเคยเห็นไหมสุนัขที่มันอยู่ข้างๆบ้านเรายิ่งยุคนี้สมัยในรถมันเยอะเนี่ยไปขยับรถไม่ระวังมนะันไปเหยียบหมาเนี่ยเหยียบสุนัขเนี่ยเราเคยเห็นหลายหลาตัวแล้วแหละ ข้างหลังมนันเี่ตั้งแต่เอวไปจนถึงข้างหลังน่ยตายหมดนะมันมีแต่ขาสองขาตะกุยเข้าไปหนักๆเข้าวก็เป็นแผลขึ้นมานอนจอนอนเจอเป็นเป็นๆโยเยยุกยากยุบยาส ก, ากเดินไปทําอะไรก็ไม่ได้ไปเลียไปเลี้ยงไปเลี ย, ไ ป, ยไปขูดไปกินใครช่วยมันทุกข์ขนาดไหนนี่ให้เรามองเห็นอย่างนี้เราจะได้ขิดเราจะได้ละโอ้ถ้าเราเป็นเหมือนมันหนอถ้าเราเป็นเหมือนสุนัขตัวนั้นหนอ แะถ้าเผื่อสุนัขตัวนั้นเป็นเหมือนเราเด่๋ยวนี้หนอมันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันจะมีความสุขขนามไหนเออถ้าเราเดี๋ยวนี้เป็นเหมือนสุนัขตัวนั้นหนอเราจะทุกข์จากปานใดที่เปรียบเทียบอยู่อย่างนี้แล้วจิตใจเราก็จะอ่อนนิ่มมีตตามีกรุณากับตัวเองกับคนข้างเคียงของตัวเองกับเพื่อนฝูงของตัวเองกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตัวเล็กตัวใหญ่ ตั้งใจให้นิ่มอยู่กับเมตตากรุณาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้เราให้จิตใจของเราชุ่มเย็นน่การที่เราตั้งใจทำอย่างนี้ก็มีผลมีอ น, นิสงส์เจริญสติเจริญปัญญาก็มีผลมีอ น, นิสงส์เพราะะนินสงสงทั้งหลายงวเหล่านี้จะเป็นเครื่องช่วยเราให้เราประสบความสุขประสบความเจริญเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้เราได้มาประกอบกองการ ให้มีการเจริญพระพุทธมนต์มีการฟังข้อข้อธรรมมันก็เป็นเครื่องช่วยทําให้เรายิ่งถ้าตั้งอกตั้งใจนั่งภาวนาเหมือนอย่างที่บอกมาตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วเนี่ยจากนั้นมาถึงตอนนี้โอ้ได้ผลได้ที่สัยมากมายเอาการได้ยินได้ฟังเป็นหลักเป็นปัจจัยพยานมัดตัวของเราตราบใดท่านยังเทศยังมาเลิกเราภาวนามากอยู่อย่างนั้นแหละเราจะเกิดความรู้สึกด่า การที่เรากระทำนี้ไม่เหมือนอย่างเาทง่านหลายทั้งพวงเหานี้มีผลอนิสงผลอั น, นิสงทั้งหลายทั้งพวงเหล่านี้แหละจะกํานวยบวยใช้พรท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญขอท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเอาไปถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามผลอั น, นิสงจักที่ท่านทั้งหลายได้มันจักมาทําฉลอง เจดีสร้างเจดีบรรจุอธิษฐานกรุปอาจารย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าของพระสงฆ์สาวกของพระมารยาสาวกเป็นที่สักการะเป็นที่บูชาเป็นเจดีเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ก็มีผลมีอา น, นิสงส์เป็นผลเป็นอา น, นิสงส์ล้วนแต่เป็นเครื่องช่วยพยุงจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้นนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศล ช่วยให้จิตของเราได้ประสบความสุขความเจริญขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายทุกคนจองประสบตามที่เราพึงปรารถนาตั้งใจปฏิบัติขอให้ได้อัดได้ทมเห็นธรรเห็นทโดยทั่วกันเอวังเออ โ, โอยทำไมยาวแล้วเกินชั่วโมงครึง่ง เกือบตายอีกซัใหม่ตายแน่ๆเลย <laughs>